หญิงละมุนสีตัวสิง น, นายญาติโยมสังุชนทุกท่านชีวิตนั้นเนี่ยบางคนเปรียบเมื่อการเดินทางการเดินทางเนี่ยมันต้องมีจุดหมายถ้าว่าเราเดินทาง โดยที่ไม่มีจุดหมายเนี่ยก็เหมือนกับเดินอย่างไม่มีทิศทางชีวิตเนี่ยหากว่าเรามีจุดมุ่งหมายมันก็ทำให้เราสามารถจะตอบได้ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรที่จริงเกิดมาเพื่ออะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับว่า อยู่เพื่ออะไรที่ทารที่ตอบว่าเกิดมาทําไมเนี่ยมันไม่สําคัญเท่ากับว่าอยู่เพื่ออะไรก็เพราะว่าคนเราแต่และคนไม่ได้ตั้งใจให้เกิดมาในโลกนี้นะที่เราเกิดมาก็เพราะว่าพ่อแม่นะพาให้เรามาเกิดภาษาฝรั่งเนี่ยเขาจะ พูดไ้ชัดเลยนะว่าเวลาบอกว่าฉันเกิดเนี่ยให้เขียนว่าไอ s born was born คือถูกทาให้เกิดใช่ไหมเมื่อเราถูกทาให้เกิดเนี่ยการที่เราตอบว่าเกิดมาทำไมเนี่ยก็คงจะไม่ใช่คาตอบที่ดีนะเพราะเราไม่ได้ตั้งใจจะเกิดมาในโลกนี้แต่เมื่อเราเกิดมาแล้วเนี่ย เราต้องมีเจตนาที่จะมีชีวิตอยู่จึงอยู่ได้มาถึงทุกวันนี้แต่บางคนเจตนาที่จะมีชีวิตอยู่ก็มีความหมาเพียงแค่อยู่ไปวันๆใช่ไหมซึ่งมันไม่ทำให้ชีวิตเนี่ยมีคุณค่ามีความหมายหรือมีความสุขชีวิตจะมีคุณค่ามีความหมายได้เนี่ยก็เพราะเรามีจุดมุ่งหมาย เด็กที่ไม่มีจุดมุ่งหมายในการเรียนนะการเรียนนั้นเป็นความทุกข์อย่างยิ่งพวกเราหลายคนอาจจะประสบมีประสบการณ์อย่างนี้ด้วยตัวเองแต่ทันทีที่เรามีจุดมุ่งหมายในการเรียนและเป็นจุดมุ่งหมายของเราเองไม่ใช่เป็นจุดมุ่งหมายที่พ่อแม่ยัดเจียดให้หรือกำหนดให้เนี่ยการเรียนจะมีความสุขชีวิตก็เหมือนกันนะต้องมีจุดมุ่งหมาย แล้ถ้าาว่าเรามีจุดมุ่งหมายที่แนชัดและเป็นจุดมุ่งหมายที่ดีงามเพื่อทำให้เรามีความสุขกับการดาเนินชีวิตตื่นขึ้นมาแต่ละวันเราไม่รู้สึกเบื่อท้อทแท้หรือไม่สงสัยว่าอยู่ไปทำไมมันจะมีแต่กำลังใจเพื่อเทียบไปถึงจุดมุ่งหมาย นั้นนั้นให้ได้และต่ตมาเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็คงจะได้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายของชีวิตแล้วบางคนจุดมงหมาของชีวิตคือการมีครอบครัวที่อบอุ่นมีลูกมีหลานเป็นคนดีมีความรู้ขึ้นขาตนเองได้ มีงานการที่มั่นคงบางคนจุดมุ่งหมายก็คือการได้มีตำแหน่งสูงสุดในชีวิตราชการบางคนอาจจะมีจุดมุ่งหมายโดยวัดที่จำนวนเงินในธนาคารว่าคิวันนี้ฉันขอให้ได้มีเงินสักร้อยราแต่ละคนมีจุดมุ่งหมายแตกต่างกันไป บางคนก็อยากจะเป็นนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จมีเหรียญทองเป็นรางวัลหลายคนก็บรรลุแล้วนะได้เหรียญทองโอลิมปิกถ้าเรามีจุงหมายในชื่อมันจะตอบได้ว่าเราจะ อ, อยู่ไปทำไม แต่ว่าจุดพุ่งหมายในชีวิตเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนเดียวนะของการเดินทางถนนทุกถนนเส้นทางทุกเส้นทางมันต้องมีปลายทางด้วยและการเดินทางบ่อยครั้งเนี่ยจุดหมายกับปลายทางมันไม่ใช่อันเดียวกัน ชีวิตก็เหมือนกันนะจุดหมายชีวิตเนี่ยกับปลายทางชีวิตเนี่ยมักจะไม่ใช่นเดียวกันใช่ฮะจุดหมายปลายทางคือได้เหรียนทองจุมยจุดหมายของชีวิตคือได้เรียนทองจุดหมายของชีวิตคือได้เป็นรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านก็แล้วแต่แต่ปลายทางชีวิตนี่อีกเรื่อง คนเราเนี่ยจุดหมายชีวิตอาจจะแตกต่างกันแต่ปลายทางชีวิตเนี่ยเหมือนกันทราบไหมฮะปลายทางชีวิตคืออะไรความตายตาใช่ไหมหลายคนเนี่ยชีวิตเนี่ยมุ่งแต่ว่าจะไปถึงจุดหมายยิ่งเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยนะตาก็จะมองไปที่จุดหมายซึ่งอาจจะเปลี่ยนเหมือนกับยอดเขาที่สูง บางคนยอดเขาก็เตี้ยแต่บางคนยอดเขาสูงพอๆกับเอเวอเรสต์หลายๆคนก็เสือกสนเพื่อเทียบไปี่ถึงยอดเขาเอเวอเรสต์มีคนไทยสองคนไปถึงแล้วนะฮะแต่ไปถึงยอดเขาเนี่ยสุดท้ายก็ต้องลงเขาใช่ไหมไม่มีใครที่ไปถึงยอดแล้วเนี่ยจะไม่ลงเขา คนเราไม่ว่าเราจะถึงจุดหมายปลายทางหรือไม่ไม่ว่าจุดหมายกราจะสูงหรือเปล่าเมื่อไปถึงแล้วเนี่ยเราก็ต้องลงไม่มีใครที่จะอยู่บนยอดเขาไปได้ตลอดบางคนเนี่ยยังไปไม่ถึงยอดเลยก็กาลังกระเสือกกระสนขึ้นไปถึงยอดแต่ถึงจะขึ้นแล้วเนี่ยในสุดก็ต้องลง นั่นคือการเดินทางแต่ชีวิตเนี่ยก็ไม่ต่างกันไม่ว่าเราจะถึงจุดหมายของชีวิตหรือไม่ก็ตามสุดท้ายเราก็ต้องมาถึงปลายทางของชีวิตหรือความตายคนจำนนไม่น้อยเนี่ยอย่างที่ธรรมมาบอกนะคือสนใจตนเรื่องจุดหมายของชีวิตจะไปให้ถึงให้ได้แต่ลืมว่าชีวิตมันมีปลายทางด้วย หลายคนคิดแต่จะไปให้ถึงจุดหมายโดยที่ไม่ได้เตรียมตัวเตียมใจที่จะถึงปลายทางและปลายทางเนี่ยมันต้องใช้ความเกียนพยายามนะมันมาเองมันถึงเองใช่ไหมฮะจุดหมายเนี่ยต้องกระเสือกกระสนไปให้ถึงนะแต่ปลายทางเนี่ยมันอยู่ที่เวลา เมื่อเวลาถึงเราก็เจอปลายทางคำถามคือว่าเราพร้อมหรื อ, อยังสำหรับการไปถึงปลายทางของชีวิตเรารู้ว่าเราอยู่เพื่ออะไรแต่เราพร้อมที่จะตายหรื อ, อยังเราคิดแต่เรื่องการอยู่ดีอยู่ดี อาจจะหมายถึงอะไรก็แล้วแต่มีทรัพย์สมบัติมีชื่อเสียงมีตําแหน่งมีบริษัทบริวารมีคมรอบครัวที่อบอุ่นหรือว่าอาจจะมีความสงบเย็นใน จ, ใจิตใจแต่เรานึกถึงเรื่องการตายดีบ้างหรือเปล่าถ้าเราคิดถึงแต่เรื่องการอยู่ดีแต่เราไม่ได้นึกถึงเรื่องการตายดีเลยเนี่ยหรือเราคิดถึงแต่เรื่องไปถึงจุดหมายแต่เราลืมปลายทางของชีวิตเนี่ย อันนี้แสดงว่าเราประมาทประมาทเพราะอะไรประมาทเพราะมันเป็นความจริงที่รู้ๆอยู่แต่ใจว่าสักวันหนึ่งชีวิตเราต้องมีจุดจบสักวันหนึ่งชีวิตเราต้องมาถึงปลายทางสักวันหนึ่งเราต้องตายในเมื่อเราให้ความสำคัญกับการมีชีวิตที่ดี ทำไมเรามองข้ามทำไมเรารับเลยเรื่องการตายดีไปใ น, นเมื่ออยู่กับตายเนี่ยมันเป็นของคู่กันหลายคนเนี่ยไม่อยากนึกถึงเรื่องปลายทางชีวิตไม่อยากนึกถึงเรื่องการตายดีก็เพราะว่ากลัวเมื่อนึกถึง เรื่องเหล่านี้เรากลัวเมื่อพูดถึงความตายของตัวเราเองเรากลัวแม้กระทั่งพูดคําว่าความตายสมัยนี้เนี่ยเวลาจะพูดเรื่องความตายเนี่ยนะเราจะเลี่ยมเพราะรู้สึกว่าความตายมั น, มนสมัยนี้มันกลายเป็นคําอุจจากกาศไป เราจะพูดว่าเขาเสียชีวิตเขาจากไปเขาสิ้นลมเขามรรตถึงแก่มรณ ก, กรรมนะเขาล่าลสังขารเราจะใช้คําที่สวยงามเพื่อเลี่ยงพูดคําว่าตายไม่เหมือเขำว่าป่วยนะเพราะป่วยเนี่ยเราจะมีคําที่ใช้เลี่ยงเนี่ยหรือใช้คําใช้แทนเนี่ยไม่กี่คำํำนะก็ป่วยเนี่ยนะ เราจะมีคำแทนนี่ไม่กี่คำแต่ตายเนี่ยมีคนเขาลำดับนะคำเขาคิดอยู่นะว่าคนเราเนี่ยใช้คำว่าอะไรบ้างที่แทนคำว่าขตายเนี่ยมีเป็นห้าสิบคำมันแปลว่าอะไระแล้ว่าคนเราเนี่ยกลัวตายมากแม้กระทั่งคำว่าตายก็ไม่อยากพูดนะไม่สุภาพเขาจากไปเขาเสียแล้วนะเขาสิ้นลมเขาถึงแก่กรรม บางท่านจ้าเขาเสียสละเป็นเพราะเรากลัวความตายเนี่ยเราถึงรัดเลยการที่จะนึกถึงปลายทางชีวิตรัดเลยที่จะคิดถึงการตายดีทั้งๆ ท, ที่ในที่สุดเราทุกคนต้องตาย แล้วถ้าเราเละเลยเรื่องนี้เนี่ยนะสุดท้ายเนี่ยมันตายดีได้ยากก็จะตายด้วยความทุรนทุรายตายด้วยความทุกข์ ท, กร ท, ท, กทรมานและก่อนที่จะหมดลมหรือก่อนที่จะตายเนี่ยก็อาจจะตายทั้งเป็นเมื่อรวดตัวเองกำลังจะตายคนทุกวันนี้เนี่ยอยู่เหมือนคนลืมตายนะ ส่วนใหญ่เนี่ยอยู่เป็นคนลืมตายคือลืมลว่าตัวเองต้องตายเวลาใครมาพูดเรื่องความตายก็ไม่อยากฟังอยู่เมื่อเรื่องตายพยายามลืมว่าตัวเองต้องตายแต่บางครั้งเนี่ยมันก็จะอดคิดไม่ได้เรื่องความตายของตัวก็ต้องพยายามที่จะกลบเกลื่อนทําใจให้อุ่นทําตัวไม่ให้ว่างเช่นทํางาน ทำแต่งงานหรือว่าไปเพื่อเินเที่ยวห้างช้อปปิง้งทำอะไรก็ได้เพื่อให้ใจมันไม่ว่างเพราะวางแหลรมันจะคิดเรื่องความตายเลยเพราะเมื่ออายุมากขึ้นแต่คนเหล่านี้เนี่ยถึงจุดหนึ่งเนี่ย จะเหมือนตายทั้งเป็นเมื่อพวกราตัวเองเนี่ยเป็นโรคร้ายเป็นมะเร็งแม้จะมีลมหายใจแต่ก็อยู่เหมือนตายอันนี้ว่าตายทั้งเป็นคือพราะโรคตัวเองเป็นมะเร็ง <c oughs> ก็กินไม่ได้นอนไม่หลับไม่มีชีวิตชีวาเสื้อผ้าหน้าผมไม่สนใจกินก็ไม่กิน น, นี้เรียกว่าดูเหมือนตายมีคําพูดว่าคนกลาานขาดตายครั้งเดียวคนกล้าตายครั้งเดียวคนขาดตายหลายครั้งคนกล้าตายเพียงเดียวคือว่าพอหมดลม ก, ก็เป็นอั้นจบแต่คนขาดเนี่ยตายแล้วตายอีกนึกถึงความตายตัวที่กลาย้นมาเมื่อไหร่ก็เหมือนกับว่า ตายก็คือไม่มีชี่ิชวามีแต่ลมหายใจแล้วถึงเวลาตายจริงๆก็หลงตายก็คือว่าตายแบบไม่มีสติคํามาหลงตายเป็นคำโบราณแต่ว่าตายแล้วไม่มีสติตายเล้วทุรนทุนทนทนรายแล้วก็ไม่รู้ว่าตายแล้วไปอาบายยุบเร่เาเพราะว่าในทางวิทยาศาสนา น, นั้นเราเชื่อว่า จิตสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นตัวชี้ขาดว่าตายแล้วเนี่ยจะไปสุคติหรือไปทุคติถ้าจิสุดท้ายเป็นปุสสก็ไปสุคติจิตสุดท้ายเป็นอกุศลก็ไปทุคติหรือไปอบาย คนที่เขามีความเข้าใจเรื่องความตายเข้าใจเรื่องชีวิตดีเนี่ยก็จะไม่รอให้ตัวเองเนี่ยมาถึงจุดนี้คืออยู่เหมือนตายแล้วก็หลงตายแต่ว่าจะเตรียมตัวมีหลายคนนะ ที่ก็ตระหนักว่าตัวเองจะต้องตายแต่ ก, ก็ประมาทคิดว่าถึงตอนนั้นเนี่ยก็เอาอยู่จะผักผ่อนไม่ต้องเต็มอะไรมากถือว่าไปตาดับหน้าสํานวณไปตาดับหน้าคือไปไปว่ากันข้างหน้าตอนนี้ขอสนุกสนานขอเอ่า เชือเกเตะเศษศพหรือว่าตักตัวเงินทองทรัพย์สมบัติแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคนที่บอกว่าเป็นตาดำหน้าเนี่ยถึงเวลาแล้วก็ถึงเวลาจริงจริงไม่จะตายก็ตกมาตายเนี่ก็คือว่าทุร น, นทุนรายตื่นตระหนกตกใจคนเราเนี่ยเวลาภัยยังไม่ถึงตัวเนี่ยเราจะคิดแบบเนี่ย แต่เวลาปัญหามันมาถึงตัวเนี่ยเราจะคิดหรือรู้สึกอีกแบบหนึง่งเคยได้ฟังนะคนบางคนนี่ที่เล่นหุ้นเนี่ยเวลาเล่นเขาจองแพ้เลยนะว่าโอเคหุ้นเนี่ยมันมีขึ้นมีลงแต่ถ้าหุ้นเนี่ยที่เขาซื้อเนี่ยมันตกไปถึงสิบเปอร์เซ็นต์ขาจะไม่เทขายอานนี้วางแพ้เลยนะเพราะรู้เลยนะหุ้นเนี่ยมันต้องมีตกไมนไม่มีขึ้นอย่างเดียว ตกไมถึงสิบเปอร์เซ็นต์ไม่เทขายเพราะว่ามันอาจจะขึ้นได้อีกแต่ว่าพอหุ้นเนี่ยตกแค่ 5% ้าเอร์ซ็นต์นเทขายเลยเพราะอะไรตกใจไอ้ที่คิดไว้นะว่าถึงห้าเปอร์เซ็นจะไม่ขายหรอกเนี่ยไอ้ตอนที่คิดเนี่ยนะหุ้นมันยังไม่ตกยังไม่เจอของจริงแต่พอเจอเข้าเนี่ยนะแค่หุ้นตกสักงเอร์เซ็สงาเอร์ซ็ถึงห้าอร์เ็ตตกใจ กลายเป็นคนลอกคนเลยแชรขายขายเสร็จเข้ามาหนึ่งแต่ผมกูไม่น่าขายเลยนะเพราะหุ้นมันขึ้นไงนะขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์เลยเนะี่ยคนเราเป็นอย่างงี้นะคือว่าเวลาเวลาปัญหายังไม่เกิดเนี่ยเราเป็นคนหนึ่งแต่พอปัญหาเกิดแล้วเราเป็นอีกคนหนึ่งเวลาเพื่อนอกหักถูกโกงเราแนะนําเพื่อนได้ว่าอกหักดีกว่ารักไม่เป็นใช่ไหม เงินทองไป็ของนอกกายหาใหม่ได้ใช่ไหมแต่เวลาตัวเจอเองนะตัวเองอกขักแฟนทิ้งแล้วก็ถูกโกงนะนึกอะไรไม่ออกใบเลยกลายเป็นคนละคนเลยเพราะอะไรฮะเพราะว่าอารมณ์เปนครอบงำหลายคนนี่ที่บอกว่าถึงเวลาช่องตายเนี่ยเอาอยู่จัดการได้เขาลืมไปว่าพอถึงเวลาได้จริงๆเนี่ยเขาจะเป็นอีกคนหนึ่งละ อารมณ์นครอบงามความครัวความตื่นตระหนกเนี่ยเคยมีในฐานคนหนึ่งนะมีชื่อมากนะอยู่ชายแดนแล้วกว็เป็นคนที่กล้าจนถึงขั้นบ้าบินคนแถวชายแดนเนี่ยยกให้เป็นวีรบุรุษนะเพราะว่าสามารถที่จะยกปรีทาทักกบเข้าไปสู้กับกองกาลังต่างชาติที่ร่วงล้ำชายแดนไทยเข้ามาตอนที่ยังหนุ่มเนี่ย ประมาณั้ส40แต่เคยบอกว่าไอคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยนะมันไม่ใช่ลูกผูชาลูกผูชายก็ไม่ฆ่าตัวตายแต่ผ่านไป20ปีนะแกเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งแล้วก็ทุกทรมาณมากสุดท้ายวันนก็มีคนพบแกตายเสียชีวิต มีรูป้ประสนยอยู่ที่ขมกักที่ลรกนึกว่าถูกค่าแต่หลักจากหลักฐานด้าล้อมเนี่ยทําให้สรุปได้ว่าค่าตัวตายฆ่าตัวตายเพราะทนความทุกข์ทรมานเนื่องจากไป็นโรคมะเร็งไม่ไหวเมื่อตจจะรู้สึกว่าความการเป็นมะเร็งทำให้ตัวเองเสียศักดิ์ศรีเพราะาต้องพึ่งพาคนอื่ น, นจากคนที่เคยทําอะไรได้ด้วยตัวเองต้องมาพึ่งพาคนอื่น หรือว่าต้องร้องโอดครวญอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยแกทําในสิ่งที่แกเคยประรถนาว่ารู้ผู้ชายก็ไม่ค่าตัวตายทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะก็เพราะตอนที่เขาพูดตอนที่เขารันวาจานี่เขาเป็นคนหนึ่งเขายังไม่ป่วยแต่พอเขาป่วยแล้วเนี่ยเขาเป็นอีกคนหนึ่งนะแล้วที่เป็นคนละคนได้นะเพราะว่าอะไรฮะ เขไม่ได้เตรียมตัวแต่ถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจว่าสักวันหนึ่งเราต้องเจ็บต้องป่วยสักวันหนึ่งเราต้องตายเราก็จะเริ่มเตรียมเราจะไม่ประมาทเราจะไม่คิดว่าถึงเวลานั้นไปตาด่าหน้าเราจะไม่ไม่ไม่ปล่อยปากเล่นลเลย และความตายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่องเตรียมไม่ว่าจะเป็นคนอายุไวไัยใดนะแต่ว่าอย่าไปคิดว่าต้องเจ็ดสิบแปสิบไปล่าถึงค่อยเตรียมที่จริงควรจะเตรียมไม่ว่าจะอยู่ในไวไัยใดน่าจะเป็นหุ่อมสาวมันมีพาะสิทธ่เบลบอกว่าไม่มีใครรู้หรอกว่าระหว่างพุ้มนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาก่อน อย่าไปคิดว่ามีพรุ่งนี้ก่อนจึงมีชาติหน้าหลายคนในโลกวันนี้นะฮะหลายคนวันในวันนี้เนี่ยวันนี้คือวันสุดท้ายของเขาพ้นจากวันนี้ไปก็ชาติหน้าเดี๋ยคือไม่มีพรุ่งนี้ประมาณก็าหนึ่งแสนห้าหมื่นคนทั้งโลกนะฮะวันนี้คือวันสุดท้ายของเขาซึ่งก็ไม่รวมไม่รู้จะรวมนักธรรมาหรือเปล่า พ้นจากวันที่ไปคือชาติหน้าเลยคือไม่มีพรุ่งนี้แปลว่าอะไรว่าความตายเนี่ยมันยังใกล้ตัวมากประมาทไม่ได้บางคนเป็นหนุ่มนะแล้วก็คิดว่าความตายยังไม่ไกลเวลามีเวลา ม, มีคนเตือนว่าขับรถจะประมาทนะสวมหมวกกันน็อกนะ แกทีพูดว่าคนเราเนี่ยถึงคราวตายก็ตายที่พูดที่ไม่ได้พูดเพราะเห็นสัจธรรมนะแต่พูดเพราะเชื่อว่ากูยังไม่ตายหรอกนะแต่พูดเพื่อจะให้เป็นข้ออ้างว่าไม่ต้องสวมหมวกกันน็อกหรอกนะมันไม่ตายง่ายๆอันนี้เรื่องจริงนะที่สาวเนี่ยบอกน้องน้องชายขึ้นมามามาอยู่ต่างจังหวัดว่าเนี่ย ให้สวมหมวกันน็อกพอ น, น้องสาวน้อง พ, พี่สาวเนี่ยกลับมาบ้านมาเยี่ยมบ้านนะวันสงกรา น, น, น้องชายเป็นวัยรุ่นน้องชายจะขี่จักรยานโยนต์ไปพี่สาวเนี่ยจบพยาบาลมาเป็ก็ใส่ใจเรื่องความปลอดภัยก็บอกน้อง้องชายว่าเนี่ยขี่จักรยานเนี่ยสวมหมวกันน็อกด้วยวันสงกรา น, น้องจะไปเที่ยวไปฉลองปรบเพื่อไปกินเหล้า พี่สาบน้องว่าให้สมบุกกันน็อกน้องชายบอกว่าคนเราถึงคราวตายก็ตายเพราะฉะนั้นฉันไม่ใส่หมวกกันน้อกเพราะคิดว่าไงฉันยังไม่ตายขับไปไม่ถึงห้าทีตายเลยนะแหกโคง้งชนเสาไฟฟ้าตายยังนุ่มอยู่เลยนะฮะไอเขาว่าถึงเวลาตายก็ถึงคราวตายเนี่ยคิดมันก็ดีนะ แต่ว่าคนมักจะใช้เป็นข้ออ้างว่าไม่ต้องทําอะไรมากหรอกไม่ต้องไม่ต้องระมัดระวังมากหรอกนะเป็นข้ออ้างเพื่อที่จะได้ไม่สวมหมวกกันนอกเพื่อที่จะได้อไม่ต้องอเตรียมตัวอะไรมากพอลึกๆเชื่อว่ากูยังไม่ตายยังหนุ่มยังสาวอยู่ความประมาทบางีมันก็สร้ให้เหตุผลมานะเพืนะ่อที่จะทำให้เราเนี่ยไม่ผลกวา่าในสิ่งที่ควรทา ตอนนี้เรามาพูดเรื่องตายดีเนี่ยนะตายดีมันหมายความว่าอย่างไหรหลายคนนเวลาพูดถึงตายดีเนี่ยก็หมายถึงการตายโดยที่ไม่เจ็บปวดตายแบบไม่ทรมานตายแบบหลับไปเลยไม่ต้องตื่นหรือว่าตายแบบอาการ32ครบ ภาษาชาวบ้านว่าศบสวยหรือบางนบอกว่าตายดีก็คือตายอยู่ท่ามกลางคนรักตายโดยที่ไม่เป็นภาระกับลูกหลานตายโดยที่อยู่ในบ้านของตัวแวดล้อมด้วยคนรักแต่ในทางพศาสนาเนี่ยทั้งหมดที่พูดมายังไม่ใช่ตายดีนะตายดีในทางเพื่ศาสนานี่จะในเรื่องจิตใจ ไม่ใช่เรื่องร่างกายไม่ใช่ว่าไม่เจ็บไม่ปวดไม่ใช่ว่าตายแบบสบสวยแตน่นเรื่องจิตใจคือว่าใจเป็นปกติไม่ตื่นจนหนดมีความรู้ตัวยิ่งดีเข้าไปใหญ่พูง่ายคือไม่หลงตาย ตาดีเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าที่ไหนเมื่อไรอายุมากน้อยหรือไม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ า, า, า, วาตายด้วยสาเหตุอะไรแม้ตายเพราะสัตว์ร้ายกัดตายเพราะถูกไฟไหม้ไฟครอบก็อาจจะตายดีได้อย่างในสมัยพุทธกาลเนี่ยนางสาวมาวดีมเหสีพระเจ้าอุเทนเนี่ยถูก ถูกไฟคร อ, อกตายเพราะว่านามคันธยามาเฮซีคนเนี่ยอิจฉาก็ไปหลอกให้นางเนี่ยไปติดอยู่ในคลังผ้าพร้อมกับบริษัทบริยาวแล้วก็เผาทั้งคลังเลยทั้งหลังเลยศพเป็นตอตะโกนแต่ผู้เจ้าเนี่ยจัดว่าการตายของนางเนี่ยเป็นการตายที่ไม่สูญฝังเป็นการตายดีเพราะว่าตอนที่นางจะตายเนี่ยจิตนางสงบมาก นาเนี่ยพอรู้ว่าเกิอดอะไรขึ้นก็แผ่เมตตาให้อภัยนามาคัทธียาแล้วก็กำหนดสตินะภาษาภาษาธรรมะ ก, ก็เรื่องเอาจิตเนี่ยนะเอาเวทนาเป็นอารมณ์เวทนาในที่ึี น, นความเจ็บปวดเนี่ยไฟแมก็ต้องปวดนะแต่ว่าแทนที่จะเป็นผู้ปวดเนี่ยก็เอาสติ ด, ดูความปวดที่มันเกิดขึ้นกับกาย อันนี้มันเป็นการเจริญสติแบนที่เรียกวเวทนานุปศา ส, สนาซึ่งเป็นหนึ่งในสติปัฏฐานสเอาเวทนาเป็นอารมณ์คือเห็นความปวดโดยไม่เป็นผู้ปวดนะแล้วก็จิตก็เลยสงบแล้วก็เห็นความทุกข์ของสังขารเห็นว่าสังขารเป็นทุกข์บางทีถ้าเป็นโสดาบันอยู่แล้วนะจิตท่านก็ ยกระดับสูงขึ้นเป็นพระอนาคามีการที่จิตเนี่ยพัฒนาสูงเสภะที่สูงขึ้นเนี่ยแม้ว่าศพจะดำไปตอตอโกเนี่ยถือว่าตายดีบางท่านเนี่ยเป็นพรานะทุดงแล้วก็โดนสัตว์ท่าตายสัตว์กัดตายแต่เพราะว่าท่านเนี่ยพิจารณาธรรมเอาเวทนาเป็นอารมณ์เหมือนกันนะและสุดท้ายท่านก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหรันต์ ขาปากเสือนะก็ถือว่าตายดีนะอันนี้ไม่ใช่เป็นการตายอย่างสงบนะเป็นการตายอย่างสว่างและโอกาสที่จะตายอย่างสว่างเนี่ยนะคือตายโดยที่เกิดปัญญาเห็นธรรมเนี่ยเป็นไปได้และหลายคนเนี่ยสามารถที่จะเห็นธรรมในขณะที่กำลังจะตายได้ มีพระอรหันต์จำนวนไม่น้อยเลยนะที่ท่านบรรุธรรมเนี่ยตอนที่กำลังตายเพราะว่าป่วยก็ดีโดนมีดโดนโดนสัตร า, าทิ้มแทงหรือว่าตายด้วยบาดแผลซึ่งในทางโลกถือว่าตายไม่ดีนั่นะ จบไม่สวยแต่ว่าท่านบรรลุธรรมเป็นพระราหการตายเนี่ยหรือความตายเนี่ยจึงเปรี่ยนเหมือนกับหน้าตาแห่งโอกาสที่จะบรรลุธรรมได้โอกาสที่จะเห็นสัจธรรมจนบรรลุธรรมอาจารย์พูดว่าอาจารย์พุทธทาสบอกว่าความตายเนี่ยตอนที่จะตายเนี่ยมันเป็นนาทีทองของชีวิต นาทีทองเนี่ยนะมันไม่ได้เกิดขึ้นตอนที่ห้างสรรสินค้านะประกาศ Midnight เซลลด์ตนหนะหรือว่าแจกฟรี i p h o n หกนะซมซุงเจ็ดนะอันนั้นก็นาทีทองของชาวโลกนะแห่กันไปเพื่อที่จะไปเอาของฟรีหรือว่าไปซื้อของถูกในนาทีทองในทั้งทั้งเนี่ยมันคือตอนที่จะตาย เพราะว่าโอกาสที่จะเห็นสศรธรรมมันมีสูงแต่ว่าถึงแม้บางคนเนี่ยนะอาจจะไม่สามารถจะส่วนใหญ่จะไม่สามารถจะบรรลุถึงสภาวะเช่นนั้นได้แต่โอกาสที่จะตายอย่างสงบนเนี่ยมันมีถ้าเราตระหนักนะว่าความตายอย่างสงบนเนี่ย มันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนอัตมารเรียกว่าเป็นสิทธิของทุกคนการตายสงบเราจะกลัวตายน้อยลงเราจะมองความตายด้วยสายตาที่เป็นมิตรมากขึ้นความตายสงบเนี่ยเป็นสิทธิของทุกคนนะอัตมาอยากจะอยากจะย้ําไม่ว่าจะเป็นเด็ก จะเป็นค า, ารืหัดผู้ควองหรือคาราวาแม้จะเป็นคนไกลวัดแม้ว่ากำลังป่วยด้วยโรคร้ายหรือว่าอาจจะประสบอุบัติเหตุก็มีเสทียตา ย, ย่างสงบได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยสองประการ อันที่หนึ่งก็คือการเตรียมตัวเตรียมใจมาอย่างดีเรือที่สองคืออาศัยกัลยะาณมิตรที่คอยช่วยโน้มนำจิตให้ไปสงบอันนี้การเตรียมตัว เตรียมใจเนี่ยทําอย่างไรเพื่อจะให้ตายดีอย่างแรกเลยนะก็คือต้องหมั่นทําความดีเอไว้สร้างบุญสร้างบุศสบุญบุศสนที่เราทําความดีที่เราบําเพ็ญเนี่ยอย่างแรกเลยคือทําแล้วมีความสุขประการที่สองก็คือว่าเมื่อเราลึกนึกถึง จิตใจก็เกิดปิติปราโมทย์และในยามที่เราจะตายเนี่ยถ้าเรานึกถึงบุญกุศลที่เราได้ทำเนี่ยก็สามารถจะมีความสุขในเวลาตายได้พูะเจ้าตรัสว่าบุญย่อมทำให้เกิดสุขในเวลาสิ้นชีวิตพพุทธบาลสิสั้นๆเนี่ยมีความหมายสองอย่างก็คือหนึ่ง เมื่อแม้จะตายเนี่ยก็มีความสุขได้ไม่ใช่ว่าจะต้องทุรนทุนทนรายสองความสุขเกิดขึ้นได้เพราะเรารึกถึงบุญที่ได้บมเท่ญนความดีเนี่ยถ้าเราทำเนี่ยเนี่ยมันจะส่งผลไปถึงตอนที่เราใกลงจะตายด้วยประการที่สองคือว่า ละเว้นความชั่วไม่ทำความชั่วเพราะจะาทำความชั่วแล้วเนี่ยจิตใจก็รุ่มร้อนไม่เพียงแต่อยู่ร้อนนอนทุกข์นะถึงเวลาตายก็อาจจะตายไม่สงบเพราะละถึงความชั่วกลัวว่าจะไปไม่ดีกลัวว่าจะไปอาบานเพราะเือเจ้าสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็คือผู้ที่ บำเพ็ญบามีเพื่อการตัสรูผู้ที่เป็นอุตุชนนะแต่ว่ามุ่งสู่การตัสรูเป็นผู้ธเจ้าตอนที่พระองค์เป็นพระบริษัท์เคยกล่าวว่าเมื่อตั้งมั่นในธรรมย่อมไม่กลัวปัโลกนะปัโลกคือพพหน้าและอีกตอนบอกว่าพระเจ้าไม่เคยทำช่วยในที่ใดเลยจึงไม่กลัวความตายที่จะมาถึง คนเราร้าทำดีแล้วไม่ทำชั่วเนี่ยนะจะไม่กลัวตายหรือว่ามีโอกาสที่จะไม่กลัวตายความกลัวตายจะน้อยลงเพราะรู้สึกมั่นใจในชีวิตที่ผ่านมาแล้วก็เชื่อว่าความดีที่ทำจะส่งให้ไปดีไปสุขสติ และสองข้อนี้สำคัญนะหลายคนเนี่ยทาชั่วนะไอตอนที่ตอนที่จะตอนที่ยังห่างกลจากความตายก็ไม่รู้สึกนะแต่พอจะตายเนี่ยนึกถึงความชั่วขึ้นมานมันเกิดความกลัว บางทีเกิดนิมิตขึ้นมาที่ทำให้หวาดภาวาตื่นตระหนกมีคนหนึ่งเนี่ยแกเคยแกเคยแกเคยเลี้ยงไก่ชนแล้วก็ตั้งบ่อนแถวบ่อนไก่บ่อนไกนเ่เนี่ยก็อยู่แถวพระรามสี่ที่เรียก บ, บ่อนไก่เพราะมันคือมีบ่อนไก่ชนจริงๆ แล้วผูชายนี้แกก็เลี้ยงไก่ชนแล้วแกก็ทรมานไก่ชนมากตอนที่ไก่จะตายเนี่ยนะตอนที่แกเริ่มหมดสติแล้วนะแกมือเนี่ยสองข้างเ น, น, น, น, นี่ยชนชนจนกระทั่งว่าเลือดออกนะจนกระทั่งเอ่อมันมันร้าวแล้วกระดูกเนี่ยนะก็ยังชนไม่เลิกนะเราก็ร้องเป๊กพ่อเป๊กพ่อเป๊กพ่อเงี้ยนะนะมันมาจากไหน มันมาจากการที่ตัวเองเนี่ยนะเรียกว่าทรมานไก่ชนปีแล้วปีเล่านะจนกระทั่งพอถึงเวลาตายนี่ยมันมันเหมือนว่าไก่ชนเข้าสิงก็ได้แต่จริงๆไม่ใช่เข้าสิงเรามันเป็นจิตไร้สันึกนะที่มันสะสมมานานแล้วถึงเวลาตายเนี่ยมันก็กลับมาเล่นงานตัวเองมีภาพรูปหนึ่งตอนจะตายเนี่ยมาบ่นมเมื่อแก่ตอนจตายเนี่ยพระชุดพระ พระในวัดก็พยายามที่จะน้อมใจให้นึกถึงบุญกุศลนึกถึงธรรมะแต่เพื่ะว่าภาพ ร, รุคนี้ก็ร้องโควนครางแล้วก็ท่าทางตื่นตระหนกไม่สามารถที่จะน้อมใจให้ไปนึกถึงเรื่องบุญกุศลได้เลยแค่ตื่นตระหนกเพราะอะไรเพราะแกเห็นหน้าคนตายเป็นคนที่ตันเคยฆ่าคนที่เป็นคาราว่า ถ้าแล้วเน่ยนะมันก็มันก็ล้างล้างของสุกกิดในใจไม่ได้แล้วตอนจะตายเนี่ยมันก็กลายเป็นนิมิตภาษาพาันว่ากรรมนิมิตนะตอนจะตายเนี่ยมันจะเกิดปรากฏการณ์ทีก่กรรมนิมิตกับหลายคนโดยเพราะเวลาใกล้ตายแล้วก็ไม่ค่อยรู้สึกตัวกรรมนิมิตมีทั้งฝ่ายบวกและฝ่ายลบฝ่ายบวกก็เช่นทํากรรมดีไว้เช่นใส่บาตร เป็นประจําพอจะตายก็เห็นเห็นขันที่ใส่บาตรหรือว่าคนที่ชอบรอพระถวายพระเป็นอาจินด้วยศรัทธาพอจะตายก็เห็นพระพุทธรูปเรืองอาร่ามสีทองสวา่างสวัยจิตใจก็เป็นกุศลเป็นปิติปราโม่แล้วจะเจ็บจะปวดยังไงมันก็คลายอันนี้ดีแต่ว่าคนบางคนเนี่ยมนันจากความชั่วที่ได้ทําหรือผลของความชั่วเช่นไปฆ่าคนเนี่ย ฆ่าสัตว์บางคนได้ยนเสงสัต ร, ร้องเป็นไก่เป็นหมาเป็นไก่เป็นวัวที่ตัวเงคอยเชื่อเป็นประจำนี่มันเกิดขึ้นในภาวะที่เรียกว่ากรรมนิมิตซึ่งถ้าเกิดว่าไม่มีใครช่วยน้อมใจนะเขาเรียกว่านำนำจิตหรือนำทางเนี่ยก็จะไปอาบายเลยเพราะจิตสุดท้ายเป็นอกุศล ถ้าคนสมัยก่อนเนี่ยจึงให้ความสำคัญเรื่องการนำทางผู้ใกล้าตายเช่นการสวดอรหังแต่มันก็ไม่แน่นะเพราะบางคนถ้าทำชั่วมากๆเนี่ยนำยังไงก็นำไม่ไปหลวงปูด่ดูพรมะมปัญโยคศแกแย่เคยเล่าว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยแกก็เลี้ยงปลาแล้วก็จับปลาเปนาน็นอาชีพแล้วก็เห็นคิดแต่เรื่องการทำกำไรเนี่ยนะ วันพระก็ไม่หยุดนะพอน้องชายพอแก่ตายเนี่ยน้องชายก็พูดให้พูดอรหังอรหังอรหังก็คืออรหังสัมมาสัมพุโทโธแล้วก็ชายคนนั้นเนี่ยจะว่เาเห็นแต่ปลาในกระชังนะพูดอรหังนะเห็นแต่ปลาในกระชั ง, นะ พ, อ ง, นะชงพอพูดพุโทโธนะก็บอกว่าไอ้แกงปลาส้ม แกงส้มปลาเทพโพอยู่ในครัวคือจะนํายัางไงนะอรหังพุโทโธนะมันก็เห็นแต่ปลาเนี่ยปลานกระชังหรือก็ไม่ก็แกงส้มปลาเทพโพเนี่ยนะถ้าเป็นางก็ไปอบายเถอะเพราะจิตสุดท้ายเป็นอกุศลเพราะนั่นเนี่ยถ้าเราอยากตายดีนะจะต้องนะทําชั่ว้ทําจะต้องทําดีเป็นนิจแล้วก็ อย่างเราเป็นการทำชั่วอันนี้เป็นหลักประกันเลยในการที่ทำให้ตายได้ดีแต่ว่าจะไม่ใช่หลักประกันร้อยเนะสิ่งหนึ่งที่ต้องมีเป็นประกันที่สามคือการปล่อยวางหลายคนทำดีใส่บาปเป็นประจานสี่ห้าก็โครบแต่ห่วงลูก ห่วงหลางนะเป็นเยอะเลยคนที่คนทำดีม็กจะใส่ใจครอบครัวแล้วก็จะเป็นห่วงคนนั้นคนนี้ตลอดเวลา้การเป็นห่วงคนเนี่ยมันก็ดีเลยนะแต่ว่าถ้าไปยึดมันถือมันมากก็กินไม่ได้นอนไม่มมหลับเครียดถึงเวลาตายก็ตายไม่สงบนะ มีผู้หญิงคนหนึ่งนะตอนแกเป็นมะเร็งตอนที่ป่วยเนี่ยนะแกก็พร่ำพูดถึงลูกชายคนเล็กอายุสิบัวบแกเป็นห่วงมากเลยเพราะว่าลูกชายสองคนเนี่ยติดยาแล้วก็ติดคุกแกกลัวว่าไอ้ลูกคนสุดท้องเนี่ยจะเป็นเหมือนอย่างพี่ชายสองคน แกก็พูดถึงแต่ลูกชายกุสุดท้องอยู่ทั้งพอตายเนี่ยตาแกก็เปิดพยาบาลพย า, าพยามปิดเปลือกตาแกยังไงก็ไม่สำเร็จวันรุ่งขึ้นยาตผู้ใหญ่มารับศพเห็นตาแกเปิดก็เลยจุดธูปแล้วก็บอกกับผู้ตายว่าไอ้ลูกกุสุดท้องนะไม่ต้องห่วงนะ ฉันจะลักไปดูแลเอง น, อนพูดจบนะนึกในใจจบก็ปิดเปิดกตาบอกว่าปิดได้นะปิดได้นะมันเหมือนกับว่าที่ยังยังยังตายเลือกาตายตาไม่หลักเนี่ยเพราะว่ายัางห่วงลูกบางคนห่วงเมีย คุลมลง น, นึ่นะแกก็จนมากเหลือเกินนะตอนจะตายเนี่ยแกก็เฝ้าบอกเมียว่าถ้าไม่มีเงินทําศพนะอย่าไปกู้หนี้ยืมสินไทยเด็ดขาดไม่มีเงินทําศพก็เอาศพนี่ไปให้บสถ์คริสต์ไปเลยอันนี้ที่ภักตายนะแล้วแกก็พูดว่าเมียจะเป็นหนี้เพราะ จัดงานศพให้แกเมียนี่ไม่มีเงินแม่ท่านซื้อโลงนะแล้วก็เฝ้าย้ำอยู่นั่นแหละจนกระทั่งแกตายตายแกตายแกก็เปิดโชคดีที่ว่าตอนที่แกกำชับกับเมียด้วยความห่วงใยเนี่ยพยาบาลคนหนึ่งนะคุณการดาวสรีเนี่ยตุลาธรรมกิจซึ่งเป็นพยาบาลที่ใส่ใจเรื่องการช่วยผู้ป่วยในสุดท้ายมาก ก็พยายามไปวิ่งเต้นนะหาเงินสงเคราะห์จนกระทั่งไดงเงินมาก้อนประมาณห2 0่0สองเพื่อมาเป็นค่าทาศพค่าโลงพอรู้ว่าคุณลุงนี่ตายตาแกเปิดตาแกค้างนะตาและตาก็ยังยังไม่ปิดดีไอ้ไม่ปิดดีเนี่ยมันเป็นธรรมดานะแต่ว่าถ้าตายแต่ตาค้างแสดงว่าต้องมีอะไรที่ขาดใจอยู่เช่นความหกรธใจ ก็รีบบอกป้านะบอกว่าป้ารีบไปบอกไปบอกลุงนะซึ่งตอนนั้นตายแล้วนะบอกว่าตอนนี้มีเงินซื้อโงมีเงินทำศพแล้วไม่ต้องห่วงฉันไม่เป็นหนี้แล้วนะป้าแกก็ไปพูดนะกับลุงซึ่งเป็นสามีแล้วก็พูดจบ ก, ก็เอามือเนี่ยมานะปิดเบตานะตาก็ปิดนะ นี่โชคดีนะที่ว่ามันมีคนที่ช่วยทําให้คลายความห่วงกังวลได้แต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่มีเลยแล้วถ้าย่างห่วงกังวลเนี่ยก็จะตายไม่สงบก่อนตายก็ทุรนทุรายตายดีเนี่ยมันจะมีสองช่วงนะมันมันจะดูเป็นต้นที่สองช่วงคือก่อนตายก่อนหมนลมนทุรนทุรายไหม กรสัตกรกส่า ย, ยหรือเปล่าแล้วก็ตายแล้วเนี่ยไปดีหรือไม่ไปสุขติหรือเปล่าผู้ทุกชนอย่างเราเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเขาตายแล้วเนี่ยเขไปไหนไปดีหรือไม่ดีแต่สิ่งที่เราพอจะบอกได้ว่าเขาตายดีหรือไม่เนี่ยก็ดูตอนที่ว่าตอนที่เขาป่วยอยู่เนี่ยใกล้ตายเนี่ยเรากระสับกระส่ายก็ทุรนทุรายไห และหลายคนเนี่ยที่กระสับกระส่ายเนี่ยเพราะมีความห่วงแล้วคนเราเนี่ยห่วงได้สารพัดห่วงลูกห่วงหลานห่วงทรัพย์สมบัติก็ได้ห่วงมรดกก็ได้คุณลุงคนหนึ่งจกยี่สิเจ็ดสิบแกเป็นไตาวายแกก็ล้างตายมาเกือบสิบปีแล้วแล้วแกก็รู้ว่าการล้างตายเนี่ยมันล้างตายได้ไม่นานอย่างสิบอย่างมากก็สิบปีสิบสิบสี่ปี วั น, นแกพร้อมจะตายได้ทุกเมือ่อแกก็เลยบอกลูกว่าให้ไปหาทนายความมาแกจะทํามรดกไปทํำพินัยกรรมลูกนี่ก็ดีนะแทนที่จะดีใจนะที่พ่อจะทาพินัยกรรมให้ตัวนยะก็มองว่าเนี่ยเป็นรังไม่ดีก็เลยแก้งทำเป็นลูมไม่เรียกทนายความมาเพบอกว่าวันหนึ่งไปล้างไตในนั้นตันทั้งสองสาเดือนไปล้างไตบอกว่าวน เจรในสมองแตกก็ปังปั้มกันอยู่ประมาณสองวันไม่สําเร็จแกตายตอนที่ตายเนี่ยหน้าแกเนี่ยนิ้วขึ้นขมวดเลยนะหน้านิ้วขึ้นขมวด เ, เหมือนกับว่าไม่มีความห่วงกังวลอะไรของอย่างก็คาดเว่าที่ห่วงเนี่ยคือห่วงเรื่องพี่นกรรมพราะแม่หลายคนจะเป็นห่วงนะเพราะว่าถ้ามีลูกหลายคนก็กลัวพี่ในกรรมเนี่ยนะ พะเราตกที่ลูกได้รับเนี่ยจะทำให้ขัดแย้งกันไหมหรือว่าถ้าไม่ทำเนี่ยมันจะเป็นภาระให้กับลูกหลานหลายคนเนี่ยก็ห่วงเรื่องนี้แหละบางคห่วงนาะจงกระทั่งนะห่วงงานการจนกระทั่งขนาดจะผ่าตัดแล้วนะลมยาสลบยังไม่สลบเลยมีเพื่ อ, อตมานนเนี่ยแกทำธุรกิจทำโรงงานใหญ่โต เป็นผู้หญิงแล้วหัวใจไม่ค่อยดีหัวใจร่วขึ้นเตียงแล้วนะแล้วก็ลมยาแล้วนะแกเพิ่งร่้ได้ยังไม่ได้ฝากฝังงานบางอย่างให้กับลูกน้องไม่ไม่สลบนะสุดท้ายเนี่ยขอโทรศัพท์สั่งงานพอสั่งงานเสร็จสลบเลยแล้วคนเราพอวงนี่นะ ขนาดยาเนี่ยเอาไม่อยู่นะเราคิดว่พอจะตายเนี่ยตายไหมบางคนเนี่ยมันสู้ความตายไม่ยอมตายยิ <c oughs> ่งถ้าเกิว่าอยู่ในภาวะโคงมากเนี่ยนะมีอาการนะอาการที่แสร้าอมาหลายอย่างเช่นกระสับกระส่ายตาค้างหรือว่าน้ําตาไหลมีเพื่อนมีหลาน ม, มีผู้ชายคนหนึ่งอายุ25เป็นเป็นลูกเป็นหลังของเพื่อตมา เพิ่งจบ ป, ปริญญาโทใหม่ทำงานได้แค่สองสเดือนก็ขับรถเนี่ยรถมันลื่นถลเอไปชนต้นไม้ต่างจังหวัดตอนนั้นยังรู้สึกตัวดีอยู่เลยนะแต่พอผ่านไปสักสองสามชั่วโมงก็เบลอแล้วแล้วก็สุดท้ายก็ไม่รู้ตัวต้องมามารักษาที่เซีิล่าตกตวว่าสมองตาย ก็อยู่ที่โรงพยาบาลสี่ห้าวันแม่มาเยี่ยมทุกครั้งเนี่ยเวลาแม่มาเยี่ยมเนี่ยลูกก็จะมีน้ําตาไหลก็สงสัยเกิดอะไรขึ้นปรึกษากันในหมู่ญาติพี่น้องก็มีคนทักว่าเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยมีอะไรที่ค้งางคาดใจหรืยอยเป็นห่วงไหมแม่ก็ตอบว่าลูกเลยบอกว่าถ้าแม่อ่ะถ้าถ้าลูกเนี่ยเรียนจบ จะส่งเสียน้องให้รับภาระน้องให้แทนแม่ก็เลยตาวาเนี่ยที่น้ำตาหลาเนี่ยนเป็นเพราะเหตุ น, นี้ก็เลยแม่ให้แม่ไปบอกลูกว่าไม่ต้องห่วงแล้วนะ่ะน้องชายแม่จะส่งเสียเองพอพูดอย่างนี้นะคนไข้เนี่ยน้ำตาก็เริ่ไหลแล้วก็วันลุกขึ้นก็จับไป นี่นมันแสดงว่าความห่วงกังวลเนี่ยนะหรือมีสิ่งค้า่งขายใจเนี่ยมันสามารถจะทําให้ตายไม่สงบได้และสิ่งค้ า, งา่งคายใจนี่จริงแล้วมันไม่ใช่มีแค่ความห่วงกังวลนะอาจจะมีความรู้สึกผิดก็ได้หัวหน้าพยาบาลคนหนึ่งเป็นมะเร็งแล้วก็เป็นมะเร็งปอดสุดท้ายอาการก็ย่แย่ๆจนกระทั่งแก ตื่นโคม่าแล้วล่ะเอาแว้งตางกแย่เหมืหอนสัญญาณชีพเนี่ยมันตกไปหมดลวแต่แกไม่ยอมตายตาแกเปิดค้างจนเวลาที่สัญญาณชีพหรือวอ่าแว้ตตาที่มันแย่แล้วแต่ไม่ยอมตายนีย่แสดงว่าต้องมีความผิดปกติทางใจตาแกค้างจนกระทั่งพยายบาลรุ่นนอนคนหนึ่งมาเยี่ยม แกรวบรวมกําลังแล้วก็พูดปกิคนเป็นมะเร็ง่อนที่พูดยากนะเดี๋ยวพอในที่สุดมันไม่มันไม่มีแรงจะพูดแล้วพูดอะไรขอโทษที่เคยทําให้ดีกับเธอเอาไว้เพราะคิดว่าตอนนั้นคิดว่าเธอเป็นกิ๊กกับสามีแต่รู้ความจริงแล้วว่าไม่ใช่รู้สึกผิดก็จึงอยากจะขอโทษแฟนบาลรุ่นน้องก็บอกว่าไม่เป็นไรพี่หนูเข้าใจพี่หนูให้อภัยพี่แกก็สบายใจ แกก็หลับแล้วก็หลับตาแลไ้ไม่ไม่นานแกออกจากไปยังดีที่แกมีโอกาสที่จะขอเมาขอโทษแต่ถ้าแกไม่มีโอกาสอ่ะถ้าเกิดพยาบาลลุกน้องนเขาไม่มาแกจะค้างนี่ไปนานเท่าไหร่แล้วแกจะตายดีไหมหรือาตายสงบหรือเปาเพราะฉะนั้นเนี่ยการปล่อยวางเนี่ย เป็นสิ่งสำคัญนะที่ช่วยทําให้ตายดีตายสงบไม่ว่าจะมีอะไรที่พ่วงกังวลไม่มีอะไรที่ค้างคาใจถึงเวลาจะตายนะต้องวาง น, นะต้องวางให้หมดไม่งั้นเนี่ยจะทุรนทุรายแล้วถ้าตายในขั้กจิสุดท้ายเนี่ยมันไปยึดไปเกาะเกี่ยวกับอะไรบางอย่างนี้อบายนะค ในสายพุทธการมีพระรุปที่พ้าติดสามแล้ท่านได้จีวรใหม่มาเนี่ยที่สาให้พระสมัยก่อนเนี่ยจีวรเป็นของหายยากปกติต้องไปเก็บจากจากสร้างโศกผ้าห่อศพเนี่ยนสมัยก่อนเนี่ยธรรมดามีเสื้อผ้าเนปน็นแค่ก็ลยชุดสองชุ่านั้นผ้าเป็นของหายยากพระคนเหมือนกันจีวรพระได้จีวรใหม่มาก็กลายเป็นเรื่องที่ยินดีและจีวเรเนื้อปลาดินด้วย เพราะว่ายังไม่ทันได้ครองจีวอนเลยก็เกิดมรณะพาพจิตสุดท้ายเนี่ยเป็ น, นึกถึงจีวอนั้นะอาจจะเพราะเสียดายที่ไม่ได้ครองหรือว่าไม่ได้สอนศรัทธาพี่สาวพอตายปุ๊บไปไหนฮะไปเป็นเลนอยู่ในจีวอเป็นพระดีนะฮะเป็นพระดีแต่ว่าตายแล้วไปเป็นเลนในจีวอถือว่าอบายนะ พุทธเจ้าเนต้องสั่งพระว่าอย่าไปแตะต้องจิววอนั้นเพราะว่าถ้าไปแตะต้องจิววอเนี่ยเลนมันจะโกรธมันจะนึกว่าถูกแย้ก็จะว่าขอเอากูเอากูไปทำไมเอากูไปทำไมนะเลนก็มีความวิตติณนะพุทธเจ้าบอกจิววอนของพระรุ่นนี้อย่าไปแตะผ่าไปเจ็ดวันนะอายุของเลนก็ก็ก็หมด เ, นเลนอยู่ได้แค่เจ็ดวันถึงตอนนั้นแหละ วิญญาณของขาวท่นถึงจะได้ไปสุบติในสมุทตะการมีพราหมอีกคนหนึงชื่อโทนัคพรามเป็นคนหวงแห่งทรัพย์สมบัติมากตอนจะตายก็ยังนึกห่วงทรัพย์สมบัติตายเสร็จไปเป็นเป็นอะไรฮะไปเป็นหมาไปเป็นรูปหมาอในบ้านเฝ้าทรัพย์สมบัติรูปหมาเฝ้าทรัพย์อันนี้เพราะจิตสุดท้ายเนี่ยเป็นอกุศลอยก็คือมีความห่วงมีความอาลายัยมีความยึดติด เราไม่รู้นะว่าคนเราเนี่ยตายที่จะไปไหนแต่ว่าก่อนตายเนี่ยนะไอ้ความห่วงความยึดเนี่ยมันสามารถทําให้ตายทําให้ป่วยไม่เป็นสุขไม่หลุดลุทุกข์ทรมานได้บางทีนะยังไม่ทันตายเลยจิตมันก็ไปแล้วอาตมา เคยจัดอบรมประชุมความตายสงบทุกวันวันสุดท้ายคือวันอาทิตย์เนี่จะก็จะพาคนไปเยี่ยมผู้ป่วยและสุดท้ายที่โรงพยาบาลทุกความประทนวันเสาร์เนี่ยหมอที่โรงพยาบาลทความประก็เป็นวิทยากรแล้วก็มาเล่าใา้สมาชิกมคนไทยคนหนึ่งเนี่ยเป็นคุณยายเจกว่าแล้วใกล้จะตายแล้วคุณหมอเนี่ยสนใจเรื่องจิตใจไม่ใช่แค่ดูแลกายก็พยายามพูดให้คุณยายเนี่ยปล่อยวาง ตอนแรกก็พูดแคปล่อยวางเรื่องรูปเรื่องปลาเรื่องคนรักเรื่องครอบครัวคุณยายแกก็ปกตินั่งฟังดีนอนฟังดีแต่พอลูกพูดเรื่องการปล่อยวางทรัพย์สมบัติเนี่ยหน้าแกรนิ้วเลยนยะหน้านิคือขมยแปลว่าอะไรฮะยังยึดวันอาทิตย์แต่จะมาไปโรงพยาบาลนครปฐมตอนบ่ายก็ไปเยี่ยมก่อนจะไปเยี่ยมเนี่ย หมอคนเดินก็บอกว่าเนี really e ่ยเมื่อเช้าเนี่ยม hmm? <hyd> ีเ <n> พ <ora> ื่อนบ้านแกมาหาเรียกว่าตลาดตลาดเอ่อตรลาดมาหาเลยนะมาเยี่ยมผู้ป่วยรอนลานมาหาเลยเพื่อนบ้านนั่นแกเล่าว่าคุณยายนี่นะไปทวงเงินแกตัวอยู่โรงพยาบาลนะแต่ใจไปทวงไปปรากฏเป็นล่างเลยนะ พราะว่าโยมนเนี่ยแกยยืมเงินไปหลายปีแล้วไม่คืนคุณยายเนี่ยคงห่วงเงินมากนะตัวโยงยาเด็ดใจเนี่ยไปเลยทีแรกโยมมันก็เห็นว่าคุณยายตายแล้วก็เห็นร่างมาทวงเงินยังไม่ตายนะฮะแต่จิตเนี่ยมันไปแล้วฮนะถ้าคิดดูซ้๊เนี่ยป่วยจะป่วยสงบไหม และตายจะเป็นอย่างไรมันต้องปล่อยวางฮะต้องปล่อยวางและจะปล่อยวางใน ต, ตอนใกล้ตายได้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะมาทาเอาตอนจะตายนะฮะมันต้องทำตั้งแต่เดี๋ยวนี้ตั้งแต่ตอนที่มีสุขภาพดีรู้จักปล่อยรู้จักวางชเวลาใครว่าอะไรมาก็เออปล่อยมันไปซะอย่าเก็บปอะมาคิด เวลาเงินหายถูกโกงนะถ้าเอาคืนมาไม่ได้ก็ปล่ อ, อยวางซะอย่ไปเก็บความคิดเพราะถ้าเก็บคอามคิดเนี่ยนะด้วยความเสียตายมันจะไม่ใช่เสียแต่ทรัพย์นะใจก็เสียใจเสียกินอะไรก็ไม่อร่อยฟังเพลงก็ไม่เพราะ แล้ถ้าเป็นหนักนะฮะสุขภาพก็เสียพราะกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่ยอมกินไม่ยอมนอนมีครูคนหนึ่งโดนโกงไอสารหนึ่งทั้งเจ็บแค้นทั้งเสียตายไม่กินไม่นอนไม่ไม่หลับแม่พยายามบอกให้กินถ้ให้หลับซะแกก็ไม่ยอมอยากจะทรมานตัวเองนะนะั่นแสดงว่าแสดงว่ารักเงินมากกว่ารักตัวเอง คนส่วนใหญ่เนี่บอกว่ารักตัวเองเนี่ยเอาความจริงรักเงินมากกว่าเวลาเงินหายเนี่ยนะไม่ยอมกินไม่ยอมนอนเสียสุขภาพทํา ง, งานก็ไม่มีกระจิงกระใจทําเสียงานแล้วบางทีเสียอื่นเช่นเสียเพื่อนเพราะว่าหงิอารมณ์เสียโวยวายใส่เพื่อนเพื่อนพูดไม่พูดเพื่อนเพื่อนเขียน พูดแซวหรือเขียนลายมาแซวด่ากลับไปนะเสียเพื่อนหนึ่งนะย่งงั้นเสียสีลนะเนี่ยถ้าเกิดว่าปล่อยวางไม่ได้นะแล้วไม่ใช่ไม่ใช่แค่นั้นพอจะตายเนี่ยเกิดจะตายขึ้นมานี่มันตายไม่สงบ น, นนะฮะถ้าปล่อยวางซะฝึกใจปล่อยวาง น, นะฝึกใช้แต่ตอนนี้ปล่อยวางแม้กระทั่ง ลูกหลานปล่อยซะบ้างบางคนเนี่ยห่วงหลานมากเลยยิ่งหลาน น, าน่ารักโอ้โหสามขวบนี่ติดหลานมากเลยบางคนลูกอายุสี่สิบแล้วก็ยังมาห่วงลูกมีโยมหลายคนนั่งพาแม่พาตมามาบอกให้ตมาช่วยพูดกับแม่เขาหน่อยว่าอย่าห่วงลูกเลยแม่ก็เถียง ว, ว่าฉันเป็นแม่ทำไมจะก็ต้องห่วงลูกสิเหมือนกับว่า ถ้าหวงลูกน้อยลงความเป็นแม่จะจะเสียไปที่ไม่ใช่นะห่วงลูกเนี่ยนะลูกก็ลำคาญหมุดหมิดตัวแม่ก็ไม่มีความสุขนะให้ถือว่าเออเป็นการฝึกนะปล่อยวางซะบ้างไม่ต้องไป ให้ลูกโทรมารายงานทุกวันว่าตอนนี้ลูกอยู่ไหนหรือไม่ต้องไปตามที่ตามถามว่าลูกเป็นยังไงตอนนี้นะถือว่าเป็นการฝึกให้เราปล่อยวางและที่ปล่อยวางอั น, นที่ยากนะคือปล่อยวางความโกรธความเก็บแค้นความพยาบาลลูกสาวคนหนึงมาเล่ามาฟังแม่นีเจ็ดนสะิบแปดสิบแล้วเป็นคนดีมีเมตตา เฟือเฟือเอแพ้ใจเย็นแต่พอพูดถึงคนคนหนึ่งนะแม่จะเปลีป่ยนไปเป็นคนละคนนะโกรธแค้โมโหแล้วก็จะรล้วหลังเนียจะพูดถึงคนนี้บ่อยเพราะว่าเคยช่วยเขาแล้วเขาในาับคุณ เ, เจ็บปวดมาก ยิ่งเป็นคนดีเท่าไหร่คนมีเมตตาเท่าไหร่เนีเ อ, อื้อเฟื่องมาเท่าไหร่เนี่ยพอถูกแทงข้างหลังหรือถูกทรยยศเนี่แล้วคนมันเจ็บปวดมากปัญหาคนดีคือปล่อยวางเรื่องแบบนี้ได้ยากนะลูกก็หวงว่าแม่นี่นะถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อย เ, อยเนี่ยถึงเวลาตายก็ตายไม่ดีนะก็พยายามบอกให้แม่ให้อภัยปรากฏแม่เนี่ยด่าลูก ราวกับว่าลูกเนี่ยกำลังมาช่วงชิงเอาของรักของหัวของแม่ไปไอความโกรธความเบียบันที่มันมันน่ารักน่าห่วงน่าแห่งนะมันมีของมีค่าด้วยแต่ทำไมแม่จะปกป้องความความโกรธความแค้นวแปลงนะเออถ้าลูกมาย่งเอามรดกแย่งเอาที่ดินนะมาเอาเพชรพลอยไปเนี่ยก็น่าก็น่าโกรธลูกเนี่ยเพราะมีของมีค่าใช่ไหม ไอ้ความโกรธมันมีค่าที่ไหนความเพียรบากไมนมีค่าที่ไหนเกิดขึ้นกับใครก็เส้นือดในสมองโรยแตกง่ายๆนะฮตายเร็วหรือเคยตายแล้วไปไปไปในโลกอีกแต่ทำไมเนี่ยถึงวงแหนเพราะความโกรธมันสั่งให้เราปกป้องพิทักษ์มองค์คระพิทักษ์ ค, กความโกรธเนี่ยคือเรานะฮะไม่ใช่ใคร เราแต่ละคนเนี่ยคือองค์พิองคลั่งพิทักษ์ความโกรธเราจะโผล่แห้งความโกรธมากเลยลูกมาบอกให้อภัยด่าลูกอีกมึงอย่ามายุ่กับกนะูใครสั่งให้ทํานะความโกรธมันสัง่งรวมถึงความโลภด้วยนะฮะความเศร้าก็ก็เหมือนกันนะเวลาเศร้าเนี่นะโอใครมาช่วนชวนเป็นนังให้ไปกูยังนั่งเจาจุกเศร้าอยู่เงี้ย เพื่อนชวนไปเที่ยวให้ไปมันกีรำคาญเพื่อนอีกดาเพื่อนอีนยังไม่ยิ้กับกูเรากลายเป็นคนคลั่งพิทักความเศร้าไปแล้วนะความเศร้ามันสั่งว่าอยากไปไหนให้จมอยู่อย่างนี้แหละจะได้เศร้าไปเรื่อยๆเวลาเศร้าอยากฟังเพลงอะไรฮะฟังเพลงสนุก้หปฟาวฟังเพลงเศร้าใช่ไหมใครสัง่งความเศร้ามันสัง่งเพราะกูจะได้ดื่มด่ำในความเศร้ามากคือจะได้จมอยู่ในความเศร้ามากขึ้นอยู่ในวหนักกามากขึ้น แล้วถ้าเราไม่ภาวนานะครับไม่ฝึกปล่อยวางนะเสร็จนะเสร็จความโกรธเสร็จความเศร้าเสร็จความเกลียดความเหี้ยบเหต้องฝึกปล่อยวางแต่ตอนนี้แล้วถ้าฝึกไม่ได้เนี่ยนะถ้าฝึกไม่ได้ด้วยวิธีปกตินะต้องไปภาวนาไปเจริญสติทำสมาธิมันเป็นวิธีที่จะช่วยทําให้เราเี่ยรู้ทันอารมณ์ แล้วก็ช่วยรักษาใจไม่ให้ความโกรธความเศร้าความเกลียดความผิดบาล ม, มามาครอบคลุมใจถ้าเราไม่ปล่อยไม่วางหรือไม่มีวิชาความรู้ที่จะปล่อยที่จะวางนะอยู่ก็ไม่เป็นสุขนะตายก็ไม่สงบถ้าทําเดี๋ยวนี้ก็ได้เดี๋ยวนี้เลยเรื่อการภาวนาเป็นสิ่งสำคัญทํางแต่ตอนนี้ มันไม่ใช่มีประโยชน์ตอนว่าตอนตายคือใจปล่อยวางตายอย่างสงบมันมีประโยชน์แม้กระทั่งในขณะที่เรามีชีวิตเราก็จะอยู่แบบสบายไม่อยู่ร้อนนอนทุกอยู่เจ็นเป็นสุดอันหนึ่งที่อาจมาคิดว่าสำคัญไม่น้อยนะนอกจาก ความห่วงในทรัพย์ห่วงลูกห่วงหลานความโกรธความเพียรบากแล้วเนี่ยอันหนึ่งคือความรู้สึกผิดความรู้สึกผิดเนี่ยจะมาว่าเนี่ยมันมันยิ่งกว่าความโกรธนะในแง่ของของความยั่งยืนความโกรธนี่นะเวลาช่วยยิวยาได้แต่ความรู้สึกผิดเนี่ยวางครั้งเวลาเนี่ย ไม่ช่วยเยียวยาบางคนรู้สึกผิดถึงสาสิบปีบางคนรู้สึกผิดถึงห้าสิบปีเพื่อตมาคนหนึ่งนัานชื่อท่านขันชิตเนี่ยท่านเล่าว่ามีชาวบ้านคนหนึ่งนะแกอยู่ในสุดท้ายแกก็มาตายที่บ้านแต่แกไม่ยอมตายเพื่อตมาเนี่ยท่านขันชิตก็รู้ว่าเนี่ย ถ้าเป็นแบบนีแสดงมีอะไรบางมีอะไรบางอย่างในใจก็เลยไปถามว่าปูมีอะไรไม่สบายใจไหมถ้าไม่สบายใจใคให้บอกไว้แจ้งตามาเถอะถ้าตามาช่วยได้ตามาก็จะช่วยที่แกก็เล่าว่าเมื่อห้าสิบปีที่แล้วแกอยู่กินกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วพอเธอท้องได้สามเดือนแกก็ทิ้งผู้หญิงคนนี้ไปตอนนี้แกอยากจะรู้ว่า คนนั้นและลูกเนี่ยเป็นอย่างไร50ปีแล้วนะและลูกนี่แกไม่เคยรอให้ใครฟังลูกลูกที่ดูแลแกตอนนั้นเนี่ยซึ่งเกิดจากเมียคนที่สองที่สามก็เพิ่งรู้จักปากแกแบบทั้งแรงแกตายไม่ได้ครับแกแกแกรู้สึกผิดนะที่ทิ้งสองคนนั้นไปตอนนี้อยากจะรู้วเป็นอย่างไรก็เลยต้องไปตาม กลับไปที่บ้านเก่าของแกเพราะว่าเมียตายแล้วลูกก็ตายก็เป็นเหตส์ไม่มีใครกล้ามาบอกความจริงให้ผู้ป่วยก็เลยเป็นหน้าที่ของพระพอพระท่านพูดจบไม่ทลายเลยไม่ทันจบประโยชน์แกฮันหลังให้เลยแล้วก็ร้องไห้คําถามคือว่าทําไมแกเพิ่มมาตื้นถึ ง, ถง สองคนนั้นตอนนี้ทำไมตอนที่เหตุการณ์ผ่านไปสิบปียี่สิบปี3ามสิบปีสี่สิบปีแกไม่ไปนสนใจตามหาแกจะรู้สึกว่ามันธรรมดาไม่มีอะไรอาจจะกดข่มความรู้สึกผิดเอาไว้อาจจะให้เห็นผลว่าใครๆเขาก็ทำกันแต่ความรู้สึกผิดนึงมันไม่ไปไหนนะถึงเวลาที่จะตายเนี่ย สติอ่อนเนี่ยมันก็จะโผล่มาลงความในตอนสุขภาพดีเนี่ยจิตสำนึก ข, ของเราก็ไปกดเอาไว้แต่พอจะตายสติอ่อนเนี่ยไอตัวความสึกิ่นี่ก็โผล่ขึ้นมาทำให้ตายไม่ได้แกก็เสียใจเอาอย่างดีที่ท่านกชิปบอกกับโยมว่าคนเขาก็ตายไปแล้วเนี่ยคิดถึงก็ไม่มีประโยชน์นะ ทำไมไม่นึกถึงเรื่องการทําบุญทำกุศลให้เขาล่ะพอพูดเรื่องบุญกุศลแกก็หันกลับเลยว่าทําได้เหรอทําได้สิก็เลยทําแกก็อยู่จกนกระทั่งทําบุญเสร็จนะอิสานในการทําบุญนี่ให้คนตายปเป็นรื่องใหญ่นะใช้เวลาหลายวันพอทําบุญเสร็จแกก็ไปกัที่แกไปสมุทรแล้วนี่เป็นตัวอย่างนะว่าห้าสิปีก็ไม่สายนะ แล้วคนบางคนหลายหลายคนเนี่ยนะบางอย่างที่ทำเอาไว้เนี่ยไม่รู้สึกกิดไม่ใช่เพราะว่ามันไม่มีความรู้สึกอยู่ในใจนมันมีแต่ว่ากดเอาไว้แต่ก็จะตายมันโคมาในสถาบันการเนี่ยนางมักนางมาริกาเทวีเนี่ยเป็นเมรีศรีพระเจ้าเปสนิโกสเป็นคนที่ช่กชวนพระเจ้าเปสนิโกสเนี่เลิกการบูชายัญการฆ่าสัตว์หันมาสนใจเรื่องบุญเรื่องบุญสม เธอตายตอนสาวแล้วก็เป็นมเหสีคนโปรดของพระเจ้าปเสนียโกศลตอนจะตายเนี่ยตายฉันอายุยี่สกว่าเขาอายสามสิบต้นจิตนี่เป็นนึกถึงเหตุการณ์บางอย่างที่เคยไปโกหกพระเจ้าประเสนียโกศลเอาไว้เป็นเรื่องเล็กๆแต่น่าอายโกหกสําเร็จนะแต่ว่าพอจะตายเนี่ยนึกถึงเหตุการณ์นั้นรู้สึกจิตใจหม่นหมองเพราะว่าไปทําอาทินาไปทําู้สาวว่าเอาไว้ พระิก็ค้าอยู่นะกับกับไอ้ความเหตุการณ์นะั้นนะจนกระทั่งตัวหนึ่งจ็ดสุดท้ายเนี่ย จ, จิตสุดท้ายเป็น จ, จิตที่ซ่องมองตายพูดนี่ไปอาบายเลยนะไปนรกเลยนะขนาดเป็นคนดีนะแต่วางใจไม่เป็นอยู่ในนรกอยู่เจ็ดวันเนี่ยพอกรรมหมดเนี่ยถึงจะได้ไปสวรรค์นี่เป็นตัวอย่างว่าคนทําความดีเนี่ยไม่ทําชั่วเนี่ย หรืออาจจะเปิดทำชั่วบ้างเนี่ยมันยังไม่พอนะต้องรู้จักปล่อยวางเช่นถ้ารู้สึกติดขึ้นมาในใจนยะเราต้องปล่อยต้องวางนะไม่มายืดไม่มันเหนียวไม่มาไม่มาครอเครียรอยู่ในอารมณ์นั้นมันทำได้นะคือถ้ามีสติเนี่ยมันจะวางและถ้าจิตเป็นกุศลมีสติรู้ตัวก็ไปก็ไปดี คนเราเนี่ยมันก็คงมีโอกาสจะทำชั่วทำผิดทำพลาดบ้างไม่มากก็น้อยแต่ว่าบางอย่างเราไม่ตรหนักไม่ฉลีย ว, วใจเป็นเพราะว่าจิตของเราเนี่ยไปกดปนรอณไว้มันก็เลยไม่มารบกวนแต่พอเราจะตายยมันจะโผล่มามันจะฟุ้งขึ้นมาถึงตอนนั้นเนี่ยนะจะขอเข้ามาขอเข้ามาไม่ทันครับต้องปล่อยวางอย่างเดียวแล้วนะ จะปล่อยวางได้ต้องมีสติรู้ทัคนคนที่มีสติเนี่ยจิตมันจะไปเกาะไม่เกี่ยวไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอารมณ์กุศลหรืออารมณ์อกุศลก็ตามตอนนี้เนี่ยการปล่อยวางเนี่ยอย่าที่เราบอกนะมันต้องปล่อยวางที่ประจ า, ยาวันแล้วก็ภาวนาด้วยแต่สิ่งที่จะทำให้เราทำให้เราปล่อยวางได้ง่ายนะหรือว่ามีเรื่องที่ทําให้ค้างขาใจน้อยลงอย่างก็คือการทํากิจ ทำหน้าที่ของเราให้ครบถ้วนสมบูรณ์เช่นใคที่ยังมีชีวินอยู่สุขภาพดี่ะทำพิธนกรรมซะการทำพิธนกรรมก็ทำให้ความกังวลห่วงใยเรื่องพิธนกรรมเนี่ยมันมารบกวนจิตใจเราไเราทำผิดกับใครเขาไปขอโทษก็ซะ และส่วนใหญ่เราก็ไม่จะทำาิดกคนใกล้ตัวเช่นพ่อแม่หรือแม้แต่ลูกจะขอโทษขอขอมาอย่างคุณปูวันนั้นถ้าแกไปขอขอมาเมียและลูกนะแกก็คงจะไม่ทุรนทุรายก่อนตายอย่าปล่อยให้มันค้างคาหรือว่ามีเวลาให้กับคนที่เรารักพ่อแม่ ลูกเพราะถ้าเราไปทุ่มเทเวลาให้กับลูกไม่ทุ่มเทเวลากับพ่อแม่ถึงไรตายก็ห่วงเขาว่าเขาจะอยู่ได้ยังไงถ้าไม่มีเราห่วงลูกเพราะถ้าเราตายไปเขาจะอยู่อย่างไงคนที่ห่วงกันที่เพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยอาจจะดูแลเขาไม่เต็มที่ถ้าดูแลเขาเต็มที่นะมันวางได้พ่อแม่ก็เหมือนกัน ถ้าเราเนรายกับเขาเต็มที่ทุกลาตายสบายใจเราไม่มีอะไรค้งขาเราทําเต็มที่เพราะฉะนั้นการทําการปล่อยวางเนี่ยส่วนที่เกิดขึ้นได้เนี่ยก็เกิดจากการที่เราผนขวายทํากิจทําหน้าที่ของเราเรียกว่าทำกิจและทำจิตทํากิจคือทํากิจการงานไม่ให้ค้างคาต้องรีบทํา อย่าปล่อยให้มันคาราทสั่งและทํำจิตจิตคือใจทําจิตคือปล่อยวางทําจิตคือผลไคว่ทาหน้าที่และทั้งหมดนี่จะทําได้ดีนะไม่ว่าจะเป็นทําดีก็ตามละชั่วก็ตามเราเม็ความชั่วก็ตามการปล่อยวางการทำจิตการการทําหน้าที่จะทําให้ได้ดีนะมันต้องมีการเจริญรอด น, นั่งสติอเสมอเจริญรอดนั่งสติคือระลึกอยู่เสมอว่าทุกวันเราต้องตาย การเราลึกอย่านีไมันทำให้เราผลขวายทำกิจทำหน้าที่ไม่ปล่อยเวลาผ่านเลยไปมันจะกระตุ้นให้เราเนี่ยมันปล่อยวางมันจะกระตุ้นให้เราทำความดีแล้วก็ไม่ทำความชัว่วจะริ่มนอนนับสติทุกวันนะจะริ่มนอนนับสติก่อนนอนก็คือเราลึกว่านึ่งสักวันเราต้องตายแล้จะตายเมื่อไหร่ไม่รู้ ซึ่อาจจะหมายความว่าอาจจะตายพรุ่งนี้บันเลินนี้ก็ได้ถ้าเกิดจะตายวันที่แบบพรุ่งถามตัวเองว่าเราพร้อมไหมเราทําความดีมาพอหรือยังทําหน้าที่มาครบถ้วนหรือยังและพร้อมจะปล่อยวางทุกสิ่งหรือเล่าถามคาถามสามข้อเนี่ยนะทําดีมาพอหรือยังทําหน้าที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์หรือยังแล้วก็พร้อมจะปล่อยวางทุกสิ่งหรือเล่าถ้าคําตอบทั้งสามข้อคือยังยังไม่พร้อมไม่เป็นไรก็ วันรุ่งขึ้นพยายามทําทําให้มันดีที่สุดทําหน้าที่ทําความดีฝึกปล่อยวางการเจริญนวัตสีจะช่วยกระตุ้นให้เราฝืนขวายนะไม่ประมาทพระเจย์เนี่ยแน่ให้จุดทานเจริญนัตสติอยู่เสมอนะรวมทั้งเราลุกอยูเสมอเราอาจจะตายได้ทุกเวลาตายทุกนาทีอาจจะตายทุกลมหายใจหายใจเข้าเราไม่หายใจออกก็ได้หายใจออกเราไม่หายใจเข้าก็ได้ ก็รู้ว่าอย่างนี้เสมอไอ้ธรรมะเนี่ยมัช่วยทําให้เราเนี่ยนะมันจะเป็นหลักการให้เราเนี่ยตายดีแต่ประโยชน์มันไม่ได้มีแค่นะั้นประโยชน์มันทำให้เรามีความสุขอยู่ดีด้วยถ้าทำสี่ข้อเนี่ยนะทำความดีแล้วเป็นความชั่วปล่อยวางทํากิจทําหน้าที่โดยมีการเจริญร้อนนัสติข้อที่ห้าเป็นตัวกระตุ้นเป็นตัวเร่งราทั้งหมดนี้แหละก็คือ วิธีการเตรียมตัวตายในพุทธศาสนาอาตมาก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วก็ผมจะต่อวิตตุอาติย์ข้อนี้ท่านใดมีุูชาหรือไม่ครับเรียเชิญทรับ พระพุเจ้าได้แนะนำอุบาสกบาศิกาเวลาจะช่วยเหลือคนใกล้ตายตให้แนะนำอยู่สามข้อใหญ่ๆก็คือน้อมใจความนึกถึงพระตนักใจพระผูป็นธรรมสงที่เขาสัทธาสองให้เขาเรื่องถึงความดีที่เขาได้ทำความดีนั้นพะระุทเจ้ า, าเรียกว่าอริยกานตัสี ก็คือสิ่งที่อาลเจ้าสารเสวน์ูดง่ายคือความดี 3. ปล่อยวางทุกสิ่งนะสรุป ง, ง่ายๆนะนึกถึงพระแล้วกะละทุกสิ่งจาแค่นี้ง่ายๆเลยนะใช้กับตัวเองก็ได้ใช้กับคนอื่นก็ได้นึกถึงพระแล้วกาละทุกสิ่งพอนึกถึงพระแล้วเนี่ยนะจิตใจมันจะเกิดปิติปราโมทถ้าเกิดว่าเป็นสิ่งที่เราศรัทธานะ มีคุณยายคุณนันแจเป็นมะเร็งลำไส้แล้วก็กปวดมากพยาบาลมาเยี่ยมปกติเทยาบาลส่วนใหญ่จะถามว่ายายปวดกี่คะแนนศูนย์ถึงสิบนะให้ให้วัสดุความปวดเพื่อได้ให้ยาถูกปวดกี่คะแนนแต่ยาววันที่ถามแปลกถามว่ายายในชีวิตที่ทำอะไรก็มีความสุขมากที่สุดยายบอกหลอกพระ เสอยายหลอกพระเนี่ยยายจําได้ไหมว่าวันนั้ น, นยายใส่เสื้อสีอะรงผ้าสีอะไรแกจําได้หมดเพราะแกประทับใจแกมีความปากผื้งคนอิสานเนี่ยการหลอกพระเป็นคุญเป็นมหากุศสไม่ใช่ว่าจะได้ง่ายๆที่จะหลอกพระหรือสร้างพระผ่ามาศึกษาพี่แกจําได้ดีเพี่ยว่าก็ชวนคุยชุยเรื่องหลอกพระคุยมาสิบนาทีสิบนาทีคุยเสร็จแกก็พูดขึ้นมาว่าหมอแกเรียพี่ยาบาหม อ, แ, แ, หมอแปลงนะ มันหายปวดไปเยอะเลยความปวดมันทายไปเลยเพราะอะไรฮะเพราะใจไป น, นึกถึงพระไป น, นึกถึงบุญไป น, นึกถึงปรัชนาไตรความปวดเนี่ยที่ท้องเนี่ยตอนนั้นจิตมันลืปวดแล้วนะเพราจิตเราเนี่ยรับรู้ได้อารมณ์เดียวถ้าจิตเราไปอยู่ที่พระพุทธธรรมผสมมันก็วางความปวดตอนเราเป็นอเป็นสาวหรือเป็นเด็กเด็กเคย เคยมีประสบการณ์แบบนี้มานั่งนั่งหลังกดหลังแข็งทั้งคืนเย่ยจะไม่รู้สึกปวดเลยเพราะละเพราะตอนนั้นใจมันไปอยู่กับไพ่ที่ถือในมือเล่นดัมมี่ตีดัมมี่ทั้งคืนนะงังนใจมันอยู่กับไพ่มากมันก็ลืมปวดเนี่ยแข่งขาเนี่ยถามว่าแข่งขาปวดไหมมันกลัวแต่มันลืมเพราะใจมันไปอยู่กับลมไปอยู่กับไพ่ตอนเราเล่นการ์ดใจเราไปอยู่กับไปอยู่กับพระ ไปอยู่กับพระรนะัตนตรัยเนี่ยมันก็จะลื ม, มก็จะวางความปวดเพราะใจมันมันรับได้อารมณ์เดีมันก็มามีมือมือเดียวนะถ้ามันจะถ้ามันจะจับดอกไม้นี่ก็ต้องวางเลยที่อีมือก่อนอนะีกประการก็คือว่ามันมีความจริงอยู่ที่ว่าอันนี้พระเจ้าตรัสไว้ศรัทธาทําให้เกิดปราโมทปราโมททาให้เกิดปิติปิติทําให้เกิดปัสสัทธิปสัสสัทธิทําให้เกิดสุข เมื่อเรามีศรัทธานในสิ่งใดเนี่ยมันทำให้เกิดปราโมทย์คือค่าร่าเริงเบิกบานใจทําให้ปิดติดเกิดควาอิ่ เ, เบิกใจและทําให้เกิดประสติง้งความผอนคลายการหลใจและทําให้เกิดสุขมันไม่ใช่แค่สุขใจนะในตอนนี้ทางวิทยาศาสตร์พบว่าเมื่อเร า, รา antenna, มีศรัท ธ, ธาในสิ่งใดถ้าเรามีสมาธิกับสิ่งนั้นเนี่ยมันยันงมีสารบางตัวหลั่งออกมาซึ่งเป็นเป็นสารที่ช่วยบรรเทาความปวดได้ในร่างกายเรา ม, มีสารบรรเทาปวดหลายชนิด เอนโดฟินโดพามีเซโรโทนินผู้เนี่ยมันออกมาเนี่ยมันก็จะชะลัจะรับความปวดได้มันจะมีผลเหมือนกับยาระงับปวดแต่ว่าทํางานในคนละวิธีเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ลืมปวดนะฮะความปวดการมันบรรเทาลงด้วยถ้าเรามีศรัทธาหรือติดต่อกับสิ่งที่เรานับถือแล้วเนี่ยคิดถึงพระก็ก็มอเรื่องความดีด้วยนะกับละทุกสิ่งเนี่ย ขอให้จำเอาไว้เลยนะใช้กับใครก็ได้ปอกเปอร์เซ็นต์จะใช้ได้ผลหรือใช้กับตัวเองในเวลาใกล้ตายก็ได้แต่ถ้าใครที่ใครที่มีมีพื้นฐานการปฏิบัติที่ดีนะลูเจ้าจะแนะอีกแบบอีกอย่างหนึ่งก็คือแนะข้อสุดท้ายนะเปลี่ยนเป็นให้พิจารณาสังขารว่าเป็นไตรับนะตรงนี้คนที่จะทำได้ต้องมีสเติต้องมีพื้นฐานการปฏิบัติ ทำไมถึงนัอย่างนั้นเพราะว่าท่านแนะอย่างนั้นเนี่ยและทําได้เนี่ยโอกาสจะหลุด้นเป็นไปได้พระอรหันต์ที่ท่านบรรลุธรรมตอนจะตายเนี่ยเพราะว่าท่านเห็นสังขารว่าเป็นไตรักได้เท่าี้ท่านเห็นสังขารเพราะท่านพิจารณาพิจารณาจากความเกี่ิดความปวดที่เกิดขึ้นกับตายตอนนั้นเนี่ยความปวดของกายเนี่ยเป็นของดีนะถ้ามองให้เป็นนะมันทาให้เกิดปัญญาเห็นไตรักได้ หลวงปู่ขาวเนี่ยท่านแนะนําคนป่วยนะหลวงปูคนารยโยต์เขาบว่าไอ้ทุกขเวทนานะเวลาป่วดเนี่ยเวลาป่วยเนี่ยยาอยากหายท่าบอกว่ า, วน า, นะวายายอยากหายา อ, นะอย า, ายอยากหายจากทุกขเวทนาเพราะถ้าอยากหายมันจะเป็นสมุทัยที่ทําให้เป็นทุกขมากขึ้นเพราะอยากหายแต่มันไม่หายมันก็ยิ่งผิดหวังยิ่งเสียใจนะซ้ำ ส, สองเลยนะคือปวดกายแล้วยังผิดหวังเสียใจถ้าบอกว่าให้อยาก เห็นความจริงจากทุกเวทนานั้นก็คือให้พิจารณาให้เห็นความจริงที่เกิดกับกายของเราเ น, นะอันนี้นะับปฏิบัติจะเข้าใจนะอย่าอยากหายนะแต่ให้อยากเห็นความจริงเวลาป่นะบบวยเนะี่ยอย่าโวยวายตีโวยตีพายเมื่อไรมันจะหายทีลองตั้งสติแล้วก็ดูความปวดมันจะแสดงทำให้เราเห็นอันนี้เนี่ย ก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยนะโอกาสที่ประตูแห่งหน้าต่างแห่งการหุดก้นจะเปิดกว้างก็จะมีมากขึ้นถ้าเราพิจารณาสังคัญว mm ่า hmm. เป็นตาลรัก์ได้อย่างสมบเสมอแล้วก็ถูกต้องท น, นี้ส่วมากคนใกล้จะตายยก็จะไม่มีสติไม่มีไม่มีความสามารถที่จะ เขาไปคิดแบบที่แม่แต่วางจริงต้องต้องมีคนช่วยบ้างถ้าบอไม่มีคนช่วยทางไหนครับต้องมีคนช่วยนะคือพอยายามคนที่ไม่มีสติหรือแม่แต่อยู่ในภาวโคมาเนี่ยเขายังรับรู้ได้นะฮะยังรับรู้ได้บางคนฟื้นขึ้นมาแล้วเราก็เห็นเขาได้ยินไม่ใช่ได้ไดยินนะเห็นนะ บางคนหัวใจหยุดเต้นหมดลมแล้วเนี่ยก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองตอนที่หมอหรือพยาบาลมาดูมาตุ้มนะมีหลายคนบอกเลยนะว่าเห็นหมอเห็นพยาบาลพูดกันว่าหัวใจหยุดเต้นแล้วความดับนบาตรเทเชอร์บีพีตกแล้วจับไม่ได้แล้วชีพจรจับไม่ได้ได้ยิ่เสียงหมอพยาบาลพูดแล้วก็เห็นเห็นเอเห็นมากระ่จอมอนิเตอร์ว่าหัวใจเนี่ยสัญญาณหัวใจเนี่ยมันไม่มันมันนิ่งลว แต่เขาไม่ตายเขารับรูแ้แต่พอฟื้นขึ้นมาพขาก็เล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คนถยูรอบข้างเนี่ยคุยเพืพ่คุยออกับเขาครับนะคุยสิ่งดีๆที่เขาประทับใจนะคุยว่าประทับใจความดีของเขาอย่างไรว่าหรือว่าส่วนบทที่เขาฟังถ้าไม่มีคนนะถ้ามีคนข้างก็มา คิดว่าดึกตื่อแล้วเขากลับไปหเกิดรู้ตัวแต่นี้จะตายตรงนี้ต้องอาศัยวิชาที่ตักเตรียมมาเพราะถ้าไม่มีวิชาที่ตักเตรียมมาก็จะจิตก็จะซุกซึมซ่านแสบใจเกิดจะเกิดความอาลัยเกิดความบ่วงเกิดความโกรธสารพัดเพราะนั้นเนี่ยสำหรับการการเตรียมตัวเตรียมใจมาก่อนเนี่ยจะเป็หลับกันว่าแม้เราจะตายคนเดียวเราก็จะตายสงบได้ แต่ว่าถ้าไม่ได้เตรียมมาเลยเนี่ยต้องอาศัยปัจจัยภายนอกนะและให้มั่นใจว่าถ้าเราเตรียมมาดีเนี่ยนะจิตมันทำงานเองได้มีผู้ชายคนหนึ่งแกเล่าว่าขี่จักรยานอยู่บอกว่ารถจะรถรถมีรถพุ่งมาชนข้างหลังอย่างแรงแกรู้ตัวเพียงแค่แป๊บเดียว ว, ว่าจะเกิดอะไรขึ้น แ่ในช่วงแป๊บเดียวไม่ถึงไม่ถึงวินาทีอาจจะหนึ่งในสิบของวินาทีเนี่ยเจ้าบอลเนี่มันมีแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วก็เห็นหน้าหลวงพ่อที่ตัวนั้ถือแล้วจิตมันก็เริ่มสวมดมนแล้วก็ความสุกตัวก็ดับหายไปข้อดีที่แกไม่ตายและการที่แกไม่ตายก็ทำให้เรารู้ว่าภาวะจิตของคนที่ก่อนที่จะพอถือองแกเนี่ยก่อนที่จะเกิดเหตุนเนี้ยมันเป็นยังไงมันทํากับมันเอง ซึ่งจะเชื่อว่าถ้าเป็นเนี่ยถ้าตายก็จะตายดีแต่นี่ที่เหลือของชีวิตเนี่ยจะเตรียมยังไงที่ดีที่จะทราบว่าวินาทเรามาใช้ได้ไวินาทีเั้นที่อาตมาพูดมาทั้งหมดเป็นการเตรียมแต่ถามว่ารู้ได้ยังไงคงจะรู้ได้จากการเจอบททดสอบต่างๆเช่นเวลาป่วยเราก็ไม่ไ ม, ไ, มไม่ไม่โวยวายไม่ทุรนทุราย เวลามีสิ่งที่ผิดลั้วมันก็ทบเราก็ไม่โกรธไม่มโมโหง่าย้กเกนยังไงถึงทอย่างนั้นพูดมาทั้งหมดเนี่ยพูดาสข้อพูดมาทั้งทังชั่วโมงเนี่ยหาข้อเนี่ยทความดีไม่ทาความชั่วปล่อยวางทางกิจทำหน้าที่และเจอเราราหน้าสติพูด้งหมดแล้วรับท่านอื่นมีผู้ใดเรียนเจร ดีเสมอไปเพราะว่าก็าะจะตายไปเพราะว่าเกิดชอ็อคเนื่องจากฝันร้ายแล้วช็อคตายก็ได้คนที่ไหลาตายก็ตาย ต, ายตอนหลังแต่เราก็อาจจะสังเกตได้คนที่มีคนบางคนก็เห็นคนที่ไหลาตายเนี่ยก่อนจะตายเขาทุรนทุรายแล้วก็ไม่ฟื้นก็แสดงว่าคงจะไม่มีความสุ ข, ขเท่าไหร่เราไม่ทราบนะ แล้วก็ไม่มีหลักประกันว่าจะตายดีหรือเปล่ามีเรื่องเล่าว่ามีคุณปู่คนหนึ่งแกไปผ่าตัดหัวใจแปดสิบแล้วนะแลวก็แกรอดไปพักคื้นที่บ้านสามวันแกก็หลับแล้วก็ตายไปใส่ในใส่เข้าุนทุกปาเออแกก็คงไปดีนะแต่ว่าไม่กี่วันต่อมาแกก็ไปไปเข้า ไปเข้าร่างพื้นบ้านแล้วก็เหมือนกับว่าร้องไห้ขํา ค, ครูนเสียใจที่ยังไม่ได้สั่งเสียลูกหลานเลยที่จริงควรจะสั่งเสียนะตั้งแต่วิกเจ็แล้วนะหรือว่าก่อนจะเข้าโรงพยาบาลต้องสั่งเสียแล้วนี่รอดตายก็ไม่สั่งเสียเองไงนี้ประมาทมากเลยแต่ถ้าเรื่องนี้ไปเรื่จริงก็แสดงว่าแกคงไปไม่ดีไม่มีความสุขคือแม้แกหลับตายปก็ตามไอ้เรื่องที่ อยากจะย้ำคือว่าคนที่คนที่โคมา่าคนที่เป็นผักเขารับรู้ได้แม้กระทั่งคนที่ตายไปแล้วเหมือนทหมดลมนะจิตยังรับรู้ได้เราไ่เข้าใจว่าคนเราตายเมื่อหมดลมหวัวใจหยุดเต้นแต่ที่จริงอันนี้คือการตายทางกายภาพจิตยังรับรู้ได้ไม่มีตัวอย่างมากมายนะที่ทาให้เรารู้ว่า คนที่หัวใจหยุดเต้นเนี่ยเขายังจิตเขายังไม่แตกนะบางคนเนื่องจาสมัยยุคเดียหัวใจหยุดเต้นแล้วเนี่ยได้ยินเสียงมาพยาบาลพูดว่าหัวใจเต้นประเพชเชอรหมดจับไม่ได้ที่ปอดจับไม่ได้หรือบางคนเนี่ยหัวใจหยุดเต้นแล้วก็ปรากฏว่าเห็นนะเห็นจอมอนิเตอร์เนี่ยสัญญาณที่หัวใจมันดับว่ามันนิ่งไแล้วแล้วก็ยังเห็นต่อไปว่าเห็นพ่อของตัวเนี่ยกําลังอยู่หน้าเครื่อง เครื่องกดขนมอ่ะที่มันเป็นตู้อ่ะอยู่ตรงระเบียงเรงยาบาลพอมาเล่าให้พ่อฟังเนี่ยพ่อตกใจเพราะตอนนั้นเนี่ยมันดึกมากไม่มีใครเลยไม่มีใครที่จะเห็นแกแกอยู่คนเดียวแล้วลูกรู้ได้อย่างไรแสดงว่าจิตของลูกเนี่ยมันไปเห็นจริงจังนั้นที่ตอนนั้นหัวใจเต้นนะนัภาษาอะไรกคนที่โคม่าหรือว่าเป็นผักรับรู้ได้นะ มีอัจารอัมโรนะเป็นพระชาวอังกฤษนะตอนนี้ท่านเป็นเจ้าวาดวัดอมรวดีทิ่เท่นกรุกท่านพูดถึงย า, ย ท, านนยท่านเนี่ยที่ว่าเป็นผักเป็นธรามาสี่ปีและวันหนึ่งเกิดมีปัญหาที่ร่างกายอวัยวะบางส่วนเนี่ยหมอบอกว่าต้องผ่าลูกทั้งลูกทั้งบ้านเนี่ยก็มาคุยกันแล้วตกลงกันว่าไม่ผ่าอยาจะให้แม่ไปสงบไปตามธรรมชาติตอนที่คุยกันแล้วตกลงเนี่ย อยู่ข้างเตียงอยู่ในห้องแม่ห้องยายของจานาโมโร่พอตกกรอนเสร็จจูๆ่ๆยายก็พูดขึ้นมาว่า Thank you แล้วหลังนั้นสองวันก็ตาย4ีปีเนี่ยนะพูดแค่คำเดียวคือแทงคิวแทงคิวเพราะอะไรเพราะได้ยินเ็าคุยอะไรกัน แต่ว่าอาจจะไม่ตอบสนองหรือว่าไม่มีไม่ค่อยอยากจะมีอารมณ์ตอบสนองก็ได้มันจะมีเรื่องแบบนี้เยอะมากที่ทําให้เราเชื่อว่าคนที่เป็นผ่าคนที่เป็นโค ม, มา่าเขายัางรับรู้อนยะูเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทําอะไรกับเขาเนี่ยให้ระมัดระวังอยู่กับเขาต้องพูดพูดคุยสิ่งดีๆแก้ทะเลาะกันข้างเตียงเขาแม้กระทั่งเ้าหมดลมแล้วเนี่ยนะก็ต้องพูดดีๆสวดมนให้เขาปล่อยเขาปล่อยวางให้นึกถึงพระรัทุกสิ่ ประทมันให้คนไข้เหรออ่ามันแล้วแต่ว่าคนไข้เนี่ยเขามีความเขาคุ้นเคยกับวัไมาคุ้นเคยกับพระมาถ้าเขาคุ้นเคยเนี่ยสวดดีถ้าเขามองไกลวัดเนี่ยก็อาจจะไม่รู้สึกว่าจิตใจเชื่อมโยงก็ได้บางกรณี เปิดศูนย์ธารพรให้เขาดีกว่าเปิดบวชสมน์อ่งจริงนะถ้าคาสูนม่ทั้งปีทั้งชาติไม่เคยไม่เคยไปวัดเลยเนี่ยเวลาสมน์นะก็ถึงงานศมใช่ไหมเออเปิดศูนทารพรให้เขายดีกว่าอีกใช่แต่สำหรับคนที่ใกล้วันนะอ่าิตพิโสนะอาิพิโซหรือว่าพาวงหรือว่าพวดชงอะไรวเนียเขาเก็เขารู้สึกว่าโอ้ชอบอย่าไปคิดว่ามันเป็นสูตรสาเร็จนะสมน์เนี่ย แล้วใช่ดีนะสวดสดสดดีกว่าเปิดเทปอะไรก็ตามเนี่ยสดสดดีกว่าเทปนะบางคนเนี่ยคนดูแลเนี่ยไม่อยากทำอะไรก็กดบทสวดมนต์ให้มันจะดีกว่าถ้าชวนเ็าสวดมนต์และคนลูกหลานก็สวดด้วยถ้าเป็นคนจีนก็ต้องเป็นคำเป็นบทสวดแบบจีนคือเราต้องรู้ว่าเขาชอบอะไรแล้วเราก็ ล้วก็ทำอย่างนั้นตามที่เขาชอบหรือตามที่เขาศัาทธามาประธานทำไมนะอ่า อ, อาจจะถ้าเป็นแบบเจอร์พุธ ม, มนจะดีกว่านะเบวดส่วนที่เราใช้ในการเจรร์พุธมลเนี่ยมันจะดีกว่า เทวดาเป็นเปรตอสุรกายก็ได้คาว่าขีเนี่ยนะมันเป็นได้ทั้งเปรตอสุรกายทั้งเทวดาก็ได้พวกเจ้าข้อเนี่ยจะเป็นเทวดาก็ได้่ไหาพระภูมิมเจ้าที่ก็เทวดาก็อาจจะวนเวียนอยู่นะแต่ว่ า, าส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเขาไปไม่ดีเนี่ยก็อาจจะ ก, ก็มักจะไปไปอยู่ในพระภูมิที่ต่ำ พูดถึงเรื่องของคนไข้ที่เป็นนะอัลไซเมอร์นะอาตมาก็ว่าก็ต้องใช้วิธีการเดียวกันนะคนไข้คนที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยก็ยังรับรู้อะไรได้บ้างนะมันเขาเขาพบว่าผู้ป่วยคนชราที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยแม้จะจํารู้ไม่ได้แม้จะจำอะจำไรไม่ได้เลยเนี่ยแต่ก็จะมีความสึกเชื่องโยงกับสัตว์เลี้ยงเช่นแมวเช่นหมาบางคนที่เป็นนัก คนที่เล่นดนตรีนะชอบเล่นดนตรีเนี่ยเขาจำอะไรไม่ได้เลยแต่พอเปิดเพลงให้เขาฟังนะเขจะนิ่งก็จะนิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยคนอาซายเมอร์เนี่ยไม่ชอบไม่มีอะไรเลยนะเขาจะยังมีอะไรบางอย่างอยู่คอยเราพยายามเข้าใจเขาและเ้ า, า จ, จะยังรับรู้เราได้ทาไมเพื่อคนอาซายเมอร์เนี่ยเหมือนกับว่าเหมือนคนที่จมน้ำแล้วบางช่วงกระโจนทะลุขั้วขึ้นมาแล้วก็จมน้ําใหม่ก็คือจมอยู่ในความหลง รู้สึกตัวเป็นพักๆมีมีคนก็อะไส้เมื่อคุณยิงแกไปเข้าโรงพยาบาล น, นะแล้วก็ต้องต้องใส่สายยางตอนอาการดีขึ้นแล้วก็ต้องถอดนะแล้วอยู่อาการ ก, ก็เริ่มไม่ค่อยดีขึ้นเมาก็ถามว่าจะใส่ถามหลานว่าจะใส่ไหมแกตอบเองว่าไม่ต้องใส่รู้เรื่องนะแล้วตอนจะตายเนี่ยนะแกมาเข้าฝันหลานแต่งตัวสวยงามเลย เรบอกว่าฉันจะไปแล้วนะพรุ่งนี้อะแลุ้่งนี้จะ ก, ก็ไปจริง น, นะมีบางรายเนี่ยเป็นอไซเมอร์นะลูกสาวก็ดูแลอยู่บางช่วงก็ปล่อยให้แม่เนี่ยอยู่คนเดียวแม่เนี่ยเดิมเนี่ยนะตอนที่ยังรู้สุกตัว เ, เป็นคนที่ชอบทำก็โสมดมลนะมีวันหนึ่งเนี่ยแม่ปล่อยให้ลูกลูกปล่อยให้แม่เนี่ยอยู่คนเดียวนะแล้วก็ ล้วก็แอบไปดูว่าแม่ทำอะไรคนเดียวเห็นแม่สดหมดนะอัลไซเมอร์นะคือว่าเนี่ยอัลไซเมอร์เนี่ยต่มาเพื่อมันเขาจะมีอาการนีเป็นพักๆแล้วก็อีกรายหนึ่งนะเป็นอัลไซเมอร์ไม่อัลไซเมอร์ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ว่าลูกสาวก็ดูแลดีมีวันนึงเนี่ยเพื่อนของลูกสาวก็บอกบอกว่าแม่ของเขาเนี่ยมาเข้าฝัน หน้าตายิยง้งยามแล้วก็บอกว่าฉันจะอยู่สักเดือนหนึ่งนะจะจะอยู่อีกเดือนหนึงแล้วก็จะไปเพื่อนก็เลยมาบอกให้ให้ลูกสาวของผู้ป่วยเนี่ยฟังพอครบเดือนกนะ็ไปอันนี้ก็แปลงนะไม่รู้ว่า เ, เขาคข้าฝันมาได้ไงหรือเขาพยายามสื่อสารบางอย่างกับกับกับคนที่ยังมียังกับกับลูกหลานอยู่ เพตอะนั้นก็ให้เราปฏิบัติกับเขาเมือนเขาเป็นคนปกติก็นะจะฟังไม่ได้รับรู้ไม่ได้สักเกบเปแต่จะมี 10% ที่รับรู้ได้เราก็ถือว่าไม่ศูนย์เปล่าคนณแม่นในอัลไยเมอร์ผมว่ารู้ทีนะครคือคุณแน่ผมเนี่ยเป็นจนกระทั่งถึงระดับสุดท้ายจนแ้องให้าอาหารทาง ให้สังเษย์อย่างไมได้แล้วก็ตอนจะเสียเนี่ยนะผมก็เกิดวันนั้นก็ตอนประมาณตีสี่ผมก็ตื่นขึ้นมาแล้วไม่รู้ยังไงผมก็หกนันหน้าข้าไปยี่ยคุณแม่พี่โรบานแม่เราเอยู่ผมก็ไปบอกว่าผมผมมาล้วอ้อเรอหรอเบิ้มมาแล้ว แล้วผมก็เปิดเปิดเปิดในเที่ยงจุดบนห้งฟังอีกสักประมาณ5นาทีแม่แม่คนนี้ต่นใจนี่ก็เป็นเรื่องแปลกนะคือที <ến Vin í? S 1> ่โรงพยาบาลาบอกไ้ค <lại> ุณมาทำอะไรเนี่ยตอนี4กว่เนี่ยก็เลยร้ายค่ะ น่นเรื่องหนึ่งนะคะบนนี้แยกเยะค่ะถ้าเรามีศัตรูจุนโจรจิตเราเนี่ยรู้อยู่ว่าเพื่อธรรมะเราควรจะต่อสู้หรือว่ายิ้งเฉยถ้าผู้จุนโจรนั่นประการที่หนึ่งประการที่สองถ้าเราเป็นทหารหน้าที่ของเรา ต้อฆ่าฟังอ๋อฟังตรงข้ามเราจะทําใจยังไงที่จะให้จิตของเราเนี่ยเตรียตัวตายและเราจำเป็นที่ต้องฆ่าตขาเนี่ควรจะทำจิตยังไงนะสิทธที่เราควรทำคือป้องกันป้องกันตัวนะป้องกันตัวแต่ว่าถ้าถ้าเราบางครั้งการป้องกันตัวอาจจะต้องมาถึงการ ทำร้ายอีกฝ่ายนึงจริงๆแล้วเนี่ยถ้าว่าเรามีเจตนาที่จะทำร้ายเนี่ยมันก็เป็นบาปแนะแต่ว่าอาจจะบาปน้อยกว่าการที่ไปเป็นฝ่ายไปทาร้ายเอานะไม่ได้เพื่อป้องกันตัวจริงๆเรื่องนี้พุทธเจ้าได้สอนเอาไว้นะทาได้ไม่ได้รืมพุทธเจ้าบอกว่าสอนพระว่าเมื่อมีโจรเอาเลื่อยมาเลื่อยท่าน หอวัยวะหรือ awa, เอาอวัยวะทั้งสองท่ น, นถ้าท่านมีถ้าพวกเธอเนี่ยมีจิตแปลผันกะล่าววาจาชั่วยอย่างมีจิตมุ่งอนุมีมีจิตมุมต่งร้ายต่อคนหล่านั้นนะก็ไม่ชื่อว่าได้ปฏิบัติตามคําสอนของเรานะผู้เจ้าสอนทานนี้เลยนะว่าแม้จะถูกเขาเนี่ยมาทำร้ายเนี่ยนะก็ยังมีจิตแปลผันจะจะมีวาจาชั่วยอย่าง หรือว่ามีจิตมุ่งร้ายให้ทําตรงข้ามให้มีจิตอนุเคราะห์นะมุ่งประโยชน์แก่เขาอันนี้ก็คือคือหลักการนะส่วนทําได้หรือไม่ได้เรื่องนึ่งแต่ถามว่าผู้เจ้าสอนอยังไงผู้เจ้าสอนอย่างนี้นะมีพระมีพระทิเบตลูปหนึ่งนะที่ถูกจับไปทรมานสมัยที่จีนเนี่ยมาบุกทิเบตเมื่อสักหกปีที่แล้วเนี่ยท่านติดคุกมา20ปีตอนหลังเนี่ยท่านก็ออกจากคุก ช่ที่อยู่ในคนุกยัถูกทรมานนะอาจจะพูดท่านก็หนีกับหนีมาที่อินเดียตอนนั้นก็ชราแล้วนะหกสิบเจ็ดสิบแล้วก็มีคนถามท่านว่าช่วงที่ท่านอยู่ในคุกยี่ปีเนี่ยท่านกลัวอะไรมากที่สุดท่านตอบว่าท่านกลัวว่าจะเกลียดคนที่ทรมานท่านนะไม่ได้กลัวจะถูกทรมา น, นแต่กลัวจะเกลียดเพรจะเกลียดแล้วเนี่ยจิต ก, ก็เป็นอุบัศน์แล้วก็อยากทําชั่ว แล้วก็ถ้าเกลื่อนแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้ปวดแต่การมันจะปวดใจด้วย น, นี่คือคือหลักการขงพุทธก็คือว่าพร้อมจะถูกทําร้ายแต่ไม่ต้องการจะทําร้ายใครเคยมีเรื่องเล่า ว, ว่าในเกาหลีเนี่ยเกาหลีเนี่ยมันก็จะมีการต่อสู้ระหว่างมันจะมีบางสมัยที่มีการขวาดล้างพุทธศาสนาลัทธิของชืนี่ก็จะบางช่วงก็จะเป็นศัตรูกับพุทธศาสนา ก็มีเมืองนึงเนี่ยที่ถูกเป็นเมืองที่เป็นเมืองผู้สงศาสนาแล้วก็มีมีกองทัพฝ่ายผมจือเนี่ยเข้ามาแล้วก็ทําลายมายึดเมืองนี้แล้วก็พระในวันเนี่ยก็แตกตื่นหนีกันแต่ว่าเจ้าว่าไม่หนีแม่ทัพเนี่ยของฝ่ายฝ่ายนั้นเนี่ยพอมาถึงเนี่ยก็ลงจับม้าแล้วก็มามาม า, มาเจอมายืนหน้าเจ้าว่าซึ่งไม่หนีและ แม่ท่าคนนั้นบอกว่าท่านรู้ไหมว่าท่านอยู่ต่อหน้าใครท่านกำลังอยู่ต่อหน้าคนที่สามารถจะฟันท่านให้ขาดเป็นสองท่อนโดยที่ตามไม่กระพริเจ้าว่าก็บอกว่าท่านรู้ไหมว่าท่านกำลังอยู่ต่อหน้าใครท่านกำลังอยู่ต่อหน้าคนที่พร้อมจะถูกฟันให้ขาดสองท่อนโดยตามไม่กระพริบใครเก่งกว่ากันใช่ไหมแพ้ใจนะโอหนี่เก่งกว่าเว้ยยอมนะคือเนี่ยนี่คือจุดยืนของพุทธนะ ก็คือว่าพร้อมที่จะถูกฆ่าแต่ไม่พร้อมที่จะฆ่าใครพร้อมที่จะถูกท ร, รมานแต่ไม่ไม่ต้องการที่จะท ร, รมานใครเพราะฉนั้นคำถามที่สองเนี่ยถามว่าถ้าเป็นทหารเนี่ยหน้าที่ทางโลกก็ต้องปกป้องแต่ในทางธรรมเนี่ยถ้าไปฆ่ า, าก็ก็บาปถึงแม้ว่าจะเป็นการปกป้องประเทศชาติก็ตามใช่ไหมแม้แต่สั่งด้วยนี้เนี่ยพระเตงมีจริเป็นใบ รู้ใช่ไหมพ่อเตมีใบเพ่อะอะไรพ่อเตมีใบเพราะรู้ว่าตัวเองเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยรู้ลึกชาติได้ว่าเคยเป็นกษัตริย์แล้วก็ฆ่าและทรมานผู้คนจนกระทั่งไปตกนรกหลายขุนแล้วพ่อเตมีรู้ว่าถ้าตัวเองโตขึ้นเนี่ยก็จะเป็นกษัตริย์และจะต้องทําแบบเดียวกันก็เลยขวัญข อ, อ, ขอไม่เป็นกษัตริย์ก็เลยแก้งทําเป็นใบแก้งทาเป็นไม่รู้ไม่ชี้อะไรทั้งสิ้นเนี่ยนี่คือที่มาว่าเตมีใบอันนี้มันเป็นกติพูดเลยนะคือว่า ฆ่าใครก็ตามนี้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดนะถ้าเจตนานะก็บาปเท่านั้นอยู่ที่ว่าบาปมากบาปน้อยอันนี้มันอยู่ที่ว่าเราจะเอาธรรมะนั้นมาใช้กับชีวิตของเราได้แค่ไหนอันนี้ก็เป็นเรื่องของภูมิธรรมของเราว่าจะทำได้แค่ไหนทำได้เท่าไหนททำได้แค่ไหนก็ทำเท่านั้นแหละนะแต่ว่าถ้าถึงที่สูดแล้วเนี่ยก็ต้องอย่างนี้แหละ หลักมสถานที่ท่านที่ศึกษามาเนีนกันทุกอย่างเป็นไปตามธรนมช่ตอนนี้บางคนเนี่ยที่เกิดความทุกความลำบากอะไรเนี่ยนะคะก็จะไปอ้อนวอนเทพเทวราชองค์แม่บดูหรสถานที่ที่เขาเยกติกนะคะอันนี้แล้วเขาก็ได้ส่งตามกาศไม่ทราบว่าตร น, นี้เนีอ่อะไรที่ เดบแปลกจากเขาอักมาดีได้เป็นพระคำอธิษฐานหรือพอดีที่เขาจะได้ดูขึ้นค่ะจริงๆไม่ถูกทีเดียวนะที่บอกว่าทุกอย่างเปลนแปลตามกรรมฟังว่าดูแปลกนะผู้เจา้าตรัสยอย่างเช่นผู้เจ้าเนยเคยเคยพูดกับพราหมณ์คนหนึ่งว่าทุกขเวทุกเอาการเกิดโรคการเกิดโรคเนี่ยโรคเนี่ยไม่ได้เกิดเพราะกรรมอย่างเดียวโรคเกิดเพราะ มีดีเป็นสมุทฐานมีลมเป็นสมุทฐานมีเสมหะเป็นสมุทฐานหรือทั้งสามอย่างรวมกันอาจจะเป็นเพราะอาหารอาจจะเป็นเพราะอุตตุหืออากาศอาจจะเป็นเพราะกรรมคือการกระทำนะอาจจะเกิดขรอการบริหารการไม่ถูกต้องคนที่บอกว่าโรคเนี่ยเกิดพรอบกรรมเนี่ยนะอันนี้ไม่ใช่พุทธศาสนาใช่โรคเนี่ยเกิดได้ด้วยหลายปัจจัย กรรมเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งเพราะที่บอกว่าป่วยเพราะเจ้ากรรมใยเวนเนี้มันก็ไม่ถูกทีเดียวเราไม่มีทางรู้ว่าโลกเนี่ยเกิดทอรกรรมในอดีตหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเป็ไปตามกรรมเนี่ยมันก็ไม่แน่แต่ถามว่าทรอยพุทธเจ้าสอนเรื่องกรรมเพราะว่ากรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์เราเนี่ยควบคุมได้มากที่สุดนะอาการหรืฟ้ากาศเราคุมไม่ได้ใช่ไหม สิ่งที่พระพุทธเจ้าเรียกว่านิยามเนี่ยคือกฎธรรมชาติมีอุตุนิยามพีชนิยามแล้วก็กรรมนิยามหมายเขาว่าอะไรหมายเขาว่าทุกอย่างในโลกนี้อาจจะเกิดขึ้นเพราะอากาศก็ได้อุตุนะอาจจะเกิดขึ้นเพราะปัจจัยทางเชื้อวิทยาก็ได้กีชะแล้วก็เกิดขึ้นได้เพราะกรรมก็ได้แต่ว่าพุทธศาสนาเนี่ยให้ความสําคัญกับกรรมนิยามเพราะเป็นสิ่งที่มนุษย์เราสามารถจะควบคุมได้มากที่สุด ใ่เพราะฉะนั้นเนี่ยอก็ต้องชี้แจงว่าทุกอย่างไม่ได้เป็นไปตามกรรมมันมีเหตุปัจจัยมากมายที น, นี้เรื่องของเจ้าแม่คนอื่คนที่จร่ารวยเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาทุกที่อย่างนะพอทิศฐาแล้วเนี่ยเขาเกิดความสบายใจเกิดความมั่นใจความวิตกกังวลความไม่มั่นใจว่าเดี๋ยวจะประสบโช ค, ครลาภก็หายไปเพราะเขามีศรัทธา คนเราเนี่ยพอมีความมั่นใจเนี่ยเมื่อคุณมีความมั่นใจในการเข้าแข่งกีฬาเนี่ยคนที่มั่นใจเนี่ยในการแข่งกีฬาเนี่ยมีโอกาสที่จะชนะได้มากกว่าคนที่ไม่มั่นใจใช่ฮะอย่างล่าสุดเนี่ยตัวเซฟส์คูริงเนี่ยซึ่งเอาชนะไมเคิลเฟลด์ได้ไมเคิลเฟลด์นี่ผมเจ้าพ่อนะโดยพราะท่าท่ายท่าท่าปีเสื้อเขาทราบไหมฮะไมเคิลเฟลด์นีได้เหทองมาสุดในในโลกแล้วตอนนี้23แต่ก็แพ้แพ้ท่าที่เขาเก่งมากเลยท่าปีเสื้อ ให้เด็กจิงก๊อปโตัวเซฟสกูลลิ่งตัวเซฟสกูลลิ่งบอกว่าวันนั้นเนี่ยเขามั่นใจมากเลยว่าเขาจะชนะไมเคิลเฟลถ้าเกิดว่าเมถ้าเกิดโจเซฟสกูลลิ่งบอกไม่มั่นใจถ้าเกิดไม่มั่นใจเนี่ยเขาก็อาจจะเล่นได้ไม่ดีใช่ไหมฮะเมก็เหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นโปรเมหรือว่าเมรัชนมเนี่ยถ้ามั่นใจแล้วนะมันมีโอกาสจะเล่นได้ดีกว่าคราวนี้เนี่ยมั่นใจเพอแล้วจะเป็นเพราะไปบนบานจะไม่ปนจีนไปแล้วนะ หรือว่าได้ได้ยันจากเจ้าปุนโพรมมั่นใจก็ <c oughs> คือใจมันสำคัญไงนะความจีมันไม่ใช่เพราะว่ามันไม่ใช่ไปอย่างอื่นหรอก <c oughs> คนที่เป็นคนที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วพวกบอกว่าปวดมากหมอให้ยามอฟีนทุกสามชั่วโมงแกก็ไม่ไหวแกขอทุกชั่วโมงร้องขอพยาบาลว่าขอมอร์ฟีนเถอะหมอพยาบาลให้ไม่ได้เพราะว่าหมอสัง่งท่า แต่มีเพยาบาลคนหนึ่งสงสารก็เลยให้ไปให้ไปแกก็หายเลยร้องเลิกปวดเลืกร้องปดครวนแล้วก็นอนหลับเพิ่มเพยาบางไว้ถามว่าไปให้ได้ยังไงหมอสั่งห้ามแกบอกแกไม่ได้ให้มาฟีนให้วิตามิน <c oughs> ใช่ไหมห้วิตามินก็หายอ่ะหายปวดอ่ ะ, ห, อะหลับอ่ะความเชื่อใจเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าจะแม่เป็นยัช่วยแม่ตัวก็ไม่ได้ใจนะแต่ที่แน่คืออธิษฐานแล้วใจสบายมันมั่นใจ ใช่ไหมอาทิ่บาทแบบนี้นะคง พ, พอสมควรกับเวลาหลังจากนี้แล้วผมไม่มีคำถามแล้วนะครับหลังจากที่ทุกท่านได้